ยังไงมาปฏิบัติได้รับได้รับประสบะการณ์ยังไงบ้างอ๋อดีครับอ่ดีขึ้นส ม, มุดครับเออแล้วก็รูสึกได้อะไรไปเยอะครับแต่กลับไปก็ต้องมาทํางานต่ออ่าแต่ว่าคิดว่าจะกลับมาใหม่อ่ปฏิบัติในบ้านกับปฏิบัติในป่านี่มันไม่เหมือนกันนะมันต่างนครับอ่คือปัจจัยบ้านน้องที่นี้ ช่วยเอือ้อเงวนให้ปฏิบัติได้ดีขึ้นมันเป็นเหมือนของจริงมากขึ้นอยู่ที่บ้านมันยังมีความปลอดภัยมีอะไรอยู่ที่นี่ก็จเจอเ <c oughs> จอหลายอย่างครับมันทำให้มีสติดีขึ้นมีปัญญามากขึ้นเ <c oughs> ต้องมีสติกับปัญญาเท่านั้นที่จะรักษาใจของเราให้สงบได้ เวลามีภัยหรือมีเหตุการณ์ต่างๆถ้ามีสติมีปัญญาแล้วใจเราจะไม่หวั่นไหวใจเราจะนิ่งแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานี่จะเต้นเลยจะสัน่นเลยอย่างนี้เกี่หมือนทางโซเชียลค่ะอ๋มัน <ไป S 1> มันมันไปทุกทางนะ มันก็ทางตาหูจมูกเล่นกายกิเลสมันจะออกทางห้ า, หาทางออกทางทวารทั้งห้าตาหูจมูกเล่นกายผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันก็ต้องสํารวมาตาหูจมูกเล่นกายต้องปิดทวารทั้งห้าอให้มีโซเชียลยังไงก็ไม่มีปัญหาถ้าเราปิดตาปิดหูเสอย่าง ก็ไม่ไปดูมันไม่ไปฟังมันก็จบคนสมัยนี้โง่ไหมไปดูไปฟังแล้วก็ไปข้าออตัวตายเพราะไปดูไปไปดูคดาด่าไปฟังคดาด่าแค่นี้ก็ใจน้อยทำใจไม่ได้ข้าออตัวตายบ้าเปล่ววาเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาพอาไปสัมผัสรับรู้ทางโซ เ, ซเชียลคนเขาดา่าเราเขาตำหนิเราเขายอะเยอะให้เรา ดูถูกดูแคลนเราโวยน้อย อ, อกน้อยใจเครียดฆ่าตัวตายเนี่ยข่าวเพิ่งมาเมื่อสองสามวันข่าวเพิ่งออกมาเมื่อสองสามวันแต่เด็กนี่เป็นเด็กผู้หญิงอายุสักสิบสิบสองอเดินอยูอ่เดินอยู่เกดหกเห่ไหมแกงเต้นจิมนนสติกได้ทำาะไรได้ เอทางด้านร่างกายแต่จิตใจนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีสติไม่มีปัญญาไหลไปตามกระแสของอโลภโกดโลโกดลงไหลไปตามสิ่งที่มาสัมผัสพออะไรสะเทือนใจก็ไม่สามารถที่จะปรับใจให้นิ่งให้สงบเป็นปกติได้จิตใจว้าวุ่นขุนมัวยินไม่ได้นอนไม่หลับ ไม่อยากจะไปโรงเรียนใช่ไหมไม่อยากจะไปเรียนไม่อยากจะเจอใครพอเจอแต่คนที่เขาดูถูกดูแคลนใครเขาดูถูกดูแคลนแล้วก็ลบชื่อมันทิ้งไปทั้งหมดเอยไม่อ่านทำไหมง่ายอจะตายเลยแต่ทีนี้เรามันไปฝากความสุขของเราอยู่ที่คําพูดของคนอื่น ถ้าเขาสรรเสริญยกย่องเราเราก็ยิ้มแป้นไปทั้งวันเลยพอเขาด่าเราก็าตำหนิเร า, เราก็เศร้าไปทั้งวันพอโดนตำหนิมากๆโดนกลั่นแกล้งมากๆใจก็เลยปวดไม่มีความสุขไม่มีความสงบมีแต่ความทุกข์ก็เลยหนีความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตาย เมนจะยากเลยเนี่ยไอเฟซบุ๊กนี่เราไก็ได้ดูนะที่เกียนไปดูอใครจะด่าใครจะว่าก็ปล่อยก็ด่าให้เขาว่าไปเราก็มีหน้าที่ทําหน้าที่ของเราไปผิดถูกดีชั่วก็มันก็เป็นไปตามความเป็นจริงเอเราก็ยอมรับถ้าเราพูดไม่ดีพูดไม่ถูกเขาจะว่าก็ว่าไปก็เถอว่าเขาเป็นชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราะ เราพูดผิดก็บอกเออมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ เ, เราก็จะได้ความรู้เพิ่ม เ, เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป อ, อ, อย่างเมื่อเช้านี้พระ อ, อีเวท่านก็นมาบอกว่าอาจารย์พูดผิดนะพูดเรื่องพระโมคคลลาพระโมคคัลานะท่านเราไม่รู้ว่าท่านไปทําบาปอะไรมาแต่รู้ว่าท่านทําบาปในอดีตชาติไปฆ่าใครเราก็ไม่รู้แล้วก็พูดแบบแบบว่าท่านไปทําบาปมา อจานี้ท่านเลยต้องใช้บาปถูกเขาฆ่าตาย ถ, ถึงแม้มีอิทธิปฏิหารก็หนีไม่พ้นท่านก็บอกว่าอาจารย์ต้องบอกเสียว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาในอดีตมาแล้วก็คนที่ตามมาฆ่าก็มีต้งหลายคนเราไม่รู้เราก็จะใหเ้เราก็พูดไปแค่นั้นเราก็พูดเพียงแต่ว่าเท่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมา พระโมอกกลลานะเนียท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ท่านเหาะเหินเดินอากาศได้หนีภัยต่างๆได้แต่หนีกรรมไม่ได้ท่านบอกว่าหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ท่านก็เลยที่เกียรหนีท่านก็เลยยอมตายแล้วก็พูดแค่เนี้ยแต่ท่านยีเวท่านก็มาทักแล้ว่าอาจารย์พูดไม่ถูกอา <c oughs> ้ารยผมแก่ไหมแล้วแต่คุณคุณจะแก้กว่าแก่ ใ่ก็คือบางทีเราก็พูดเอาแต่ประเด็นที่เป็นหลักธรรมใชมแต่รายละเอียดนี้บางทีเราก็ไม่รู้อย่างเรื่องของแม่ที่มีลูกลูกทารกคลอมาไม่กี่วันก็ตายล้องหมลร้องไห้นักรูกมากเด็กทารกเกิดมาได้ไม่กี่วันก็ตาย ไม่ยอมาไปฝังมาไ ป, าไปเผาเก็บลูกกอดลูกไว้นอนล้องห่มรองไห้ทั้งวันทั้งคืนพ่อแมอ่ชาวบ้านเห็นก็สงสารก็เลยบอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าจะช่วยได้แล้วก็ดีใจคิดว่าพระพุทธเจ้าจะทําให้ลูกฟืน้นก็เลยรีบไปกราบเอาพระพุทธเจ้ า, อาพอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้ทราบได้ข่าวว่พาพระองค์จะช่วยให้ลูกข้าพเจ้าฟืน้นใช่ไหม พระเจบอกอ๋อน้าได้ง่ายได้ขอให้เธอไปหาเม็ดมาเล็ดตอนนั้นเราเรียกมาเล็ดอะไรเมแทบจําไม่ได้แต่ตอนหลังมีคนมาทักว่าไม่ใช่ต้องเป็นเป็นมเมล็ดผักกาดแต่เราเป็นว่าเป็นมาล็ดงาหรือเป็นมาล็ดอะไรทั้งอย่างหนึ่งก็ก็ ก, ก, ก็เขาว่าก็ถูกเพราะเราไม่ได้จําไม่ได้เราไม่ได้อ่านจากหนังสือโดยโตรงได้ยินได้ฟัง คูบาอาจารย์เล่าให้ฟังอีกทอดหนึ่งก็ฟงไป แ, แต่รู้ว่าเป็นเมล็ดอะไรทักอย่างหลวงพ่อเจ้าบอกให้แปะ เ, เมล็ดผักกาดเนี่ยมาสักกำมือหนึ่งแล้วเราจะช่วยอแต่ก็ไม่ทราบพระ เ, เจ้าพูดยัง่งเป็นแต่ว่าเให้แปเาเมล็ดผักกาดมาแต่ดีใจคิดว่าจะได้ทําให้ลูกฟื้นแต่พระเจ้าบอกว่าเมล็ดผักกาดนี่ต้องไปเอาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเนะี่ย ถ้ามีคนตายใช้ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นใครไข่ก็ได้ในครอบครัวนั้นถ้ามีใครตายในี่ใช้ไม่ได้เลยถ้าก็รับถ้าก็รับปากดีใจรีบไปเพราะไม่ได้คิดคิดว่าไม่มีคนตายคงยังไม่มีคนตายทุกบ้านต้องมีบ้านอย่างที่ไม่มีคนตายตไปเคาะประตูบ้านกี่บ้านถามเขาว่ามีแม่เล็กผักกาดหรือเป่าเขาก็บอกมี บ้านที่บ้านที่มีก็บอกว่ามีถ้าถามว่าบ้านนี้มีคนตายหรือเปล่าก็กอ็อกมีคนตายมันต้องมีไม่ปู่ย่าตายายก็พี่นอ้องมีภรรยาหรือบุตรธิดา ม, มันก็มีคนตายทุกบ้านไปเคาะประตูบ้านไหนก็ได้คาตอบแบบเดียวกันจนในที่สุดเธอก็เลยเห็นสัตว์จะทำความจริงเห็นว่าความตายนี้เป็นของที่มีด้วยกันทุกคน ทุกที่ทุกแห่งทุกคนเธอก็เลยทําใจยอมรับความจริงว่าความตายของลูกเคอก็เป็นเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาก็เลยยอมรับใจก็เลยหายเศร้าสุขก็เลยไม่ได้กลับไปหาพระพุทธเจ้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดว่าคงไม่ได้ไปกลับไปนะกลับไป เราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านรายละเอียดเพียงแต่ทราบเพียงแต่ทราบประเด็นเท่านั้นเอว่าที่พระเจ้าสอนชี้ให้เธอเห็นความจริงเห็นอนิจจังเห็นว่าร่างกายของคนเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ชา้าก็เร็วต้องก็ต้องตายกันไปแต่เนื่องจากความหลงมันครอบงำใจเราเราไม่คิดกันเราก็เลยคิดว่าเราจะอยู่กันทุกคนอยู่ไปเรื่อยๆพอเวลามีคนตะมีข่าวคนตายขึ้นมาเป็นข่าวหน้าหนึห่งเลยนะ่ะ คนนั้นตายนี่พลาดหัวเลยมันเป็นเรื่องไม่น่าจะต้องพลาดหัวใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นมีใครพลาดข่าวหน้าหนึ่งไะวันนี้ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาตกเวลาเท่านี้เพราเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเห็นว่ามันขึ้นมันลงทุกวันแต่เราไม่เห็นเราเห็นคนเกิดแต่เราไม่เห็นคนตาย เวลานคนเกิดแล้วเราเลี้ยงฉลองมันเกิดกันอยู่เลยแต่ไม่มีใครเลี้ยงฉลองมันตายกันนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ทางสื่อเนี่ยเราก็ต้องรับบริโภคสื่อต้องฉลาดเนี่ยต้องใช้สติใช้ปัญญาถ้าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอก็อย่าไปบริโภคมันก็ได้เอเพราะมันอาจจะเป็นยาพิษก็ได้สําหรับคนที่ ไม่มีผนุมคุ้มกัน่คนที่มีภูมิคุ้มกันเขาก็บริโภคได้เขาก็อ่านได้เขาก็ดูได้ฟังได้ไม่เดือดร้อนอะไรนี่เรามาฝึกกันนี่ก็เพื่อมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจเรอเอา้เจตใจของเราขาดสติขาดปัญญากันพ อ, อสัมผัสอะไรปั๊บนี่ใจแข็งเลยเออไม่รักก็ช่างไม่กลัวก็หลง พอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาเนี่ยใจแขว่งไปทางบางทีก็รักถ้าฟังเสียงดีก็รักชอบถ้าฟังเสียงไม่ดีก็ชังเกลียดกลัวถ้าได้ข่าวที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตก็กลัวกันเห็นไมบางคนมาถาแล้วน้ำจะท่วมงทีย้ายไปอยู่ที่ทางเหนือดีไหมเพราะมีข่าวว่าต่อไปนะมันจะท่วม กลัว <c oughs> กันไปก่อนลนะอันนี้เพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้ารู้ว่าตายมันตายได้ทุกแห่งทุกคนหนียังไงก็หนีไม่พน้นไม่คิดถึงความตายกันคิดว่าหนีเราจะพ้นความตายหนีน้ำหนีน้ำท่วมแล้วจะอยู่ไปต่อเดี๋ยวมันก็ตายหนีไปที่อื่นหนีจากน้ำท่วมจะไปเจอแผ่นดินไห้ก็ได้ เกินไปทางเหนือทางเนือก็มีแผ่นดินไววเอีกังนถ้าคนมีปัญญารู้ว่าเราอยู่ในโลกของอนิจจาา์อนัตตาอนิจจ์ก็คือมันต้องมีจุดจบชีวิตเราอนัตตาห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศ <c oughs> ใจเราไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่เราไปหลงเราไปหลงว่าเราเป็นร่างกายอันจริงเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดแต่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยรักร่างกายหวงร่างกายห่วงร่างกายไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายเลยไม่ยอมมองความจริงของร่างกายทุกครั้งที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี้จะ จะไม่สบายใจแล้วก็พยายามที่จะบิดมันจะพยายามที่จะไม่คิดถึงมันพยายามลืมมันเพราะถ้าคิดถึงมันแล้วมันจะทำให้ใจไม่สบายก็เลยไม่ไม่ยอมคิดกันพอไม่ยอมคิดก็เลยลืมลืมไปว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลาเจ็บขึ้นมาทีตกใจกัน ไปหาหมอนี่โอ้ยรุนกระใหญ่หมอบอกว่าต้องตรวจดูเนื้อแล้วว่าไม่รู้ว่าเป็นเนื้อแบบไหนเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือเป็นมะเร็งพอเป็นเนื้องอธรรมดาก็โล่ง อ, อกแต่ก็เดี๋ยวก็เจอเนื้องอกใหม่คราวนี้อาจจะไม่เป็นมะเร็งมนคราวหน้ามันใครจะไปรู้ แล้วถ้ามันไม่เป็นเรื่องงอกมันก็อาจจะมีโรค อ, อย่างอื่นเข้ามาอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยพิจารณาอยู่เรื่อยความแก่ความเจ็บความตายพา ม, มันเกิดแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจดีกว่าแล้วยิ่งถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้ ว, ลวเราก็ทำทำอะไรไม่ได้ก็ทำได้ในขอบเขตเท่าที่เราจะทาได้ ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไป <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ใจเราก็จะเป็นปกติเหมือนตอนที่เราอยู่ตอนนี้ <Yeah. S 2> ใจก่อนที่ร่างกายจะเจ็บจะตายสงบสบายตอร่างกายเจ็บร่างกายจะตายจิตก็สงบสบาย <Yeah. S 2> ถ้ามีภูมิคุ้มกัน yeah. <Yeah. S 2> เหมือนฉีดวัคซีน ถ้าเราฉีดวัคซีนไว้พอมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่สามารถทําให้เราเจ็บ่ายได้ป่วยได้สมัยก่อนนี่ทุกปีจะต้องฉีดกันอาะหิวากันสมัยเด็กๆในเมืองไทยนี่ยังมีโรคอหิวาระบาดเนี่ยได้ต้องไปฉีดที่โรงเรียนที่เขาไปฉีดให้ที่โรงเรียนแในเวลานั่งรถเมยนั่งรถโดยสารมาต่างจังหวัดนี้บางทีเขามีเขมีด่านให้ตรวจ เขาจะจอด้นแล้วก็ให้ใ ห, ให้ให้ขอดูบัตรฉีดวัคซีนวัีดหรือเปล่าการไม่มีนี่เขาเล็งลองไปฉีดเลยแต่พอฉีดแล้วมันก็จะทำให้ปลอดภัยเพราะอาิวานี่มันแพร่ทางอาหารเนี่ยทางกินอาหารที่มีเชื้ออิวาเข้าไปมันก็ถ่ายเป็นมาจะถ่ายจนตายได้ แต่ถ้ามีฉีดวัคซีนไว้ก่อนมันก็เชื่อเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้จิตใจของเราตอนนี้ก็ต้องต้องมาฉีดวัคซีนกันเนี่ยที่เรามาวัดกันนี่เรามาฉีดวัคซีนมาฉีดภูมิคุ้มกันโรคโรคของความทุกข์โรคของความเครียดโรคของความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยพอไปอ่านไอ ทางอะไรโซเชียลนะอยากโซเชียลใครจะชมใครดาก็เฉยอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนเสียงเสียงนกเสียงกาในป่าเนี่ยเสียงลมพัดเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้มันนกกามันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปเสียงลมพัดก็ปล่อยมันพัดไป เราก็เพียงแต่รับรู้ไปเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรปัญหาเลยรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่เห็นมีอะไรมันก็เป็นแค่เสียงเป็นแค่รูปที่เราเห็นเฉยๆแต่ถ้าเราไม่มีภูมิกุ้มกันเนี่ยกิเลสในใจเรานี่นหะมันจะมาทิมแทนใจเราเองไม่ใช่เสียงที่เราฟังหรอกเสียงที่เราได้ยินรูปที่เราเห็นนี่มันมันไม่มีอะไรหรอกแต่ใจของเราเนี่ยมันไป ไปไปไปหลงมันแล้วก็ไปรักไปชังมันอะแล้วก็มาสร้างความทุกข์ก็เกิดความรักความชังก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความรักก็อยากจะได้ถ้าไม่ได้ก็เสียใจเกิดความชังอยากจะให้มันหายถ้าไม่หายไปก็ทุกข์เสียใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรา เราถึงต้องมาแก้ที่ใจของเราเราไม่ได้ไปแก้ที่โซเชียลหรอกเราไม่ได้แก้ที่รูปเสียงกลิ่นรถต่างๆรูปเสียงกลิ่นรถเขาก็มีของเขาตามปกติคนที่มีสติปัญญาบริโภคเขาก็บริโภคได้อย่างสบายแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาพอไปบริโภครูปเสียงกลิ่นรถมันก็อาจจะทำให้ช็อกได้ทำให้ทุกข์ขึ้นมาได้ ก็ไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีสติไม่มีปัญญาสองตัวนีนะ้ทำที่คุ้มครองรักษาใจทำอย่างอื่นก็เป็นธรรมที่สนับสนุนให้เรามีสติมีปัญญาเ <c oughs> ช่นศีลเรามารักษาศีลกันศีลก็มีไว้เพื่ อ, อ, อหยุดทวารทั้งห้าหยุดปิดทวารทั้งห้าไม่ให้ใจออกไปทางทวารทั้งห สินแปดนี่ก็ห้ามไปทางโซเชียลไปทางอะไรต่างๆไม่ให้ดูไม่ให้ฟังให้ปิดแล้วก็ใช้สติดึงใจเข้าข้างในปิดประตูแล้วแต่วิเรกมันก็ยังพยายามจะดันออกเรื่ออะไรต้องดึงด้วยด้วยปัญญาไอ้ดึงด้วยสติถ้าสติมีกำลังมากก็ดึงห้เข้าไปสู่สู่บ้านของจิต ก็คือความสงบสมาธิคือบ้านของจิตที่ปลอดภัยพอเข้าไปในสมาธิแล้วเย็นสบายไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางความคิดปรุงแต่งปิดหมดพอทุกอย่างยุติใจก็ว่างเย็นสบายสงบมีความสุข ไรได้กลับเข้าบ้านแล้วนี่จะจะจะไม่อยากออกนอกบ้านอยู่ในบ้านมันสบายกว่าแต่กำลังของสติที่ดึงเข้าไปมันยังมีไม่ต่อเนื่องพอมันหมดกำลังเมื่อไหร่กำลังที่จะผลักดันคือกิเลสดันหามันก็จะผลักดันให้จิตออกจากสมาธิมาเรานั่งสมาธิกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ต้องทนไม่ไหวล้กิเลสมันดันให้ออกมาแล้ว หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือความต้องการของร่างกายร่างกายจะต้องการเข้าห้องน้ำํำร่างกายอยาจจะต้องการดื่มน้ํามันก็ต้องออกจากสมาธิมาเพื่อมาม า, มาดูแลร่างกายถ้าออกมาแล้วทําให้คุมใจด้วยสติหรือปัญญาเดี๋ยวมันก็หลอกให้ไปเปิดโซเชียลดูล่ะเดี๋ยวขอเช็คลายหน่อยเช็คเมลหน่อยเช็คข่าวหน่อย พอเห็นปั๊บใจก็เต้นขึ้นมาทันทีตืนเต้นขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีสติก็พอจะไปก็หยุดมันหรือถ้ามีปัญญาก็พิจารณาก่อนว่าต้องไปหรือเปล่ามีความจะเป็นจะต้องติดต่อติดตามอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อย่าไปอย่าไปสนใจกลมาทำ กลับมาทำสติสมาธิปัญญาต่อดีกว่าเช่นออกมาจากสมาธิแลนเมื่อยกันลุกขึ้นมาเดินอยากจะเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำอยากจะดื่มน้ําก็ดื่มแต่อย่าไปดื่มรูปเสียงกลิ่นรส ด, ดื่มน้ําในรูปที่มีที่มีสีมีกลิ่นมีรสเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเสพแล้วเป็นการเสพเป็นความอยากแล้วผู้ปฏิบัติต้องระวังนะ ว่าเราดื่มน้ําให้กับร่างกายหรือเราดื่มน้ําให้กับกิเลสบางทีมันไปด้วยกันทั้งสองกันบางทีร่างกายไม่ต้องการน้ําแต่กิเลสมันต้องการก็เลยต้องดื่มเช่ น, นน้ําที่มีรสต่างๆน้ําชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆทั้งทั้งที่ร่างกายก็ไม่หิวน้ําแต่ใจมันกิเลสมันหิวรูกเสียงกลิ่นรสของ น้ำชากาแฟต่างๆอันนี้ถ้ามีปัญญาก็ต้องต้องพิจารณาว่าเรากำลังเสริมสร้างกิเลสตัณหาไม่ได้มาฆ่ากิเลสตัณหาเป้าหมายของเราในการสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาก็เพื่อมาฆ่ากิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์กันที่ทำให้เด็กคนนั้นฆ่าตัวตายกันไม่ใช่อะไรตัณหาความอยาก อยากให้เขาสรรเสริญยกย่องเยือนย อ, ong, ยนยอพอถูกเขาเขาลหานินทาดูถูกดูแคลนก็ทุกเพราะไม่อยากเพราะอยากไม่ให้เขาไหวายอยากไม่ให้เขาตำหนติติดเตียนดูถูกดูแคลนอยากให้เขายก ong, ย่องสรรเสริญเยือนยอพอต้องบริโภคสิ่งที่ไม่ชอบใจก็อยากให้มันหายพอมันไม่หายสิ่งที่บริโภคไม่หาย แานที่จะปิดก็ไม่ปิดถ้าอยากไปดูมันก็อย่างก็หมดเรื่องถ้าเปิดมาทีไรเห็นแต่เขาด่าเราเนี่ยเราก็ลบชื่อมันทิ้งไปเลยก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตใจเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะฟังด้วยเหตุด้วยผลได้ก็ก็อย่าไปอ่านมันไม่ยลบชื่อคนที่มันส่งข้อความมาด่าเราไปมันก็หมดแต่มันไม่มีสติไม่มีปัญญา ค, คิดไปเป็น อาบริโภคแล้วก็เกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอทุกข์มากๆทนไม่ไหวไม่รู้จะแก้อย่างไรก็คิดว่าฆ่าตัวตายก็จะทําให้หายทุกข์ฆ่าตัวตายก็เท่ากับฆ่าโทรศัพท์มือถือมันง่ายกว่าเยอะแยะไปใช่ไหมถ้ามันไม่ฆ่าโทรศัพท์มือถือไม่ฆ่าตัวทำไมใช่ไหมถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วนั่นมันคิดไม่เป็นอะ่ะ ไม่ฆ่าตัวตายถูกไห ม, ไม เ, เหกากาขเรก็นั่นแหละอาชาติก่อนพอมีปัญหาเจวกลางทุกข์ที่ไรก็ฆ่าตัวตายวิธีฆ่าตัวตายไม่ใช่สติไม่ใช้ปัญญาพิจารณาวิธีแก้ปัญหาว่าปัญหาไม่เกิดจากอะไรไมันเกิดจากเหตุอะไรไม่รู้ไงรู้แต่ว่าพอมันทุกข์มากๆทนไม่ไดด้้นนะะุลอย่่าาางงีีีเจจมททหได้ ก็ต้องมาเจอคนที่สอนเขาเนี่ยทำไม่เงินเหลือชาติหน้าเจอปัญหาเดิมก็ฆ่าตัวตายนี่ขนาดเพียงอายุแค่สิบสองก็ฆ่าตัวตายแล้วแสดงว่าคงเคยฆ่าตัวตายมาก่อนอดีตพอเจอความทุกข์มากๆหาทางออกไม่ได้รู้จักทางออกทางเดียวคือฆ่าตัวตายก็ลเลยฆ่าตัวตายไปแต่ถ้ามาเจอพ่อแม่หรือเจอครูห ร, รือเจอเพื่อน บอกว่าก็อันดับโทรศัพท์ทิ้งโทรศัพท์ไปอย่าไปใช้มันอย่าไปติดต่อลืมลบชื่อให้คนที่ด่าเราไปก็หมดเรื่องแต่กิเลสของเราเองอยากจะอยู่ในสังคมอยากให้คนในสังคมยกย่องเราใช่ไหอยากจะเด่นอยากจะดังกันพอไม่ได้เด่นไม่ได้ดังกลับถูกลบลู ด, ดูถูกดูแคลนมันก็เลย ไม่รู้จะทำยังไงเพราะชีวิตเขาอยู่กับการสรรเสริญเขาอยู่กับสังคมเขาไม่รู้จักอยู่คนเดียวอยู่ไม่เป็นอยู่คนเดียวอยู่ไม่เป็นอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาถึงต้องมาสายสื่อใช่หไหมพออยู่บ้านเหงาก็เปิดดูเนี่ยใครโพสตอะไรมาหรือยังคอยจ้องคอยรอดูอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ั่นพอโพสโพสแต่ละทีมีแต่มีแต่เรื่องด่าเรื่อง เรื่องดูถูกเหยียดหยามมันก็อะไรโอโหมันก็ไม่รู้ใจไปะะทางไหนถ้าไม่ดูก็เหงาถ้าดูก็ทุกข์เพราะไม่รู้จักทำใจให้สงบไม่รู้จักอยู่คนเดียวไม่รักไม่รู้จักอยู่แบบแบบไม่ต้องบริโภครูปเสียงกลิ่นรสอาศัยการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสเป็นอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้ใจมีความสุข พอไปบริโภคอาหารที่เป็นพิษเข้าก็เลยเหมือนกินอาหารบูดเนี่ยกินอาหารที่ไรก็ปวดท้องทุกทีปวดท้องทุกทีไม่กินก็หิวไม่กินก็ไม่ได้เพราะกินก็ปวดท้องท้องถ่ายก็เลยฆ่าตัวตายนี่เปล่าไม่มีทางออกทางออกมีคืออย่าเป็นบริโภคมันจิตเราไม่ต้องบริโภครูปเสียงกลิ่นรสก็ได้กับดีกว่าซะอีกถ้าเลิกได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็เป็นเหมือนยาเสพติดดีๆนี่ ทล่เราบริโภกกันนี่เรากำลบริโภคยาเสพติดกันเนี่ยสื่อโซเชียลนี่ก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันเฟซบุ๊กนี่ ล, ลำดับหนึ่งยาเสพติดเนี่ยใช่ไหมเสพแล้วเป็ยังมีวันไหนไม่เข้าบ้างต้องเข้ามันทุกวันวันไหนไม่ได้เข้ารู้สึกว่ามันขาดอะไรออนั่นแหละมันก็มันก็บริโภคเนติดยาเสพติดอย่างแต่ ยาเสพติดแล้วนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับพวกยาเสพติดที่ทำให้ร่างกายนี้ตายได้ถ้าติดโพสทรมะนะฮะถ้าติดโพสธรามะถ้าติดแล้วมันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าติดแล้วโดยที่ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขติดโพสแล้วก็ไม่ได้เอาธรรมะไปดับความทุกข์นีไม่ได้เอาไปทาประโยชน์ ติดไปติดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องติดแล้วเอาเอ า, เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถึงจะดีเพราะถ้าไปติดแล้วไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้อ่านมันก็อาจจะทุกข์ได้เหมือนกันแต่มันคงไม่ไม่รุนแรงหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งเสพติดที่คนอยากจะเสพกันอยู่แล้วถ้าอาจารย์พอย่างสมมติเคส ย้ายก็เป็นเพลงแต่แ ก, ก่ที่ปลายเหตุชั่วคราวเดี๋ยวไปอยู่โรงเรียนใหม่ก็เจอปัญหาเดียวกันเดี๋ยวนี้ทุกโรงเรียนมันก็มีเด็กเล่นโซเชียลกันอยู่แล้วทุกโรงเรียน<ม>ไปอยู่กลุ่มใหม่มันก็ไปคบเด็กกลุ่มใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็มามาม า, ม า, ม, ามาด่ากันมาว่ากันอีกเหมือนกันเหมือนเดิ ม, มแล้วก็ไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโรงเรียนก็ผิดคามจริงคนรจะฟ้องร้องตัวเองอ่ะตัวเองเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็น แล้วก็ไปโทษครูอาจารย์ที่โรงเรียนครูก็จะมีเวลามาดูเด็กต้องสามสี่สิบคนในห้องเรียนได้ยังไงทั่วถึงใช่ไหมพ่อแม่นี่แหละเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกเขาเรียกบุพการย์ไงบุพการิย์ครูบาจาร ย, าาร ย, าารย์คนแรกของลูกก็คือพ่อกับแม่แต่พ่อแม่ก็โยนภาระนี้ให้โรงเรียนไปแล้วพอโรงเรียนไม่ได้ทําได้ผลดีก็เลยไปโทษโรงเรียนเี่ย แล้ก็นี่ไปฟ้องร้องเรียงค่าเสียหายแล้วเนี่ยเรี่กค่าเสียหายเสียลูกไปต้องเอาเงินก็เป็นกิเลสเอความจริงควรจะฟ้องร้องพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกไม่ดีไม่สามารถปกป้องรักษาลูกอยู่กับลูกอยู่กับเรายัางปล่อยให้มันฆ่าตัวตายได้นแสดงว่าเราไม่มีเวลาดูแลลูกเลย บางทีลูกมีความทุกข์ก็ไม่รู้จะปรึกษาใครจะปรึกษาพ่อกับแม่ก็พ่อแม่ก็ยุ่งดูโซเชียลของพ่อแม่อยู่ก็เลยเด็กก็เลยไม่มีที่พึ่งทั้งมนม้ทุกวันนี้มันถึงจะวุ่นวายกันถึงแม้ว่าจะร่ำรวยทางด้านวัตถุนะ มีข้าวของเงินทองอยู่กันอย่างสุขสบายทางร่างกายแต่จิตใจนี่หาความสุขไม่ค่อยได้มีเกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะความอยากพออยากใจก็อยู่ไม่เป็นปกตินะพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจถ้าได้มาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอมันหมดไปก็ต้องหาใหม่มันก็มีแต่จิตใจที่ ไม่มีความมั่นคงอ่อนไหวเพราะต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาหล่อเลี้ยงจิตใจแล้พออาศัยสิ่งต่างๆที่มาหล่อเลี้ยงจิตใจถ้ามันเป็นพิษขึ้นมาก็ก็ทุกข์อีกถ้ามันไม่เป็นพิษมันมันก็จางหายไปอย่างรวดเร็วของทุกอย่างที่เราเสพเนี่ยทางตาหูจมูกนิ้งการนี้มันมาปุ๊บมันหายไปปั๊บแล้วอ่านข้อความเสร็จปับ๊บดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปแล้ว อดีย่านข้อความไม่ดีขึ้นมาอา้าวทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่คือชีวิตของผู้ที่ไม่มีธรรมต้องเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเป็นอาเป็นอารมณ์เป็นอาหารให้ความสุขแล้วก็ให้ความทุกข์ถัดไปทนะํามาในความทุกข์มากกว่าความสุขความสุขได้ได้เดี๋ยวเดียว พอหายไปความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ที่อยากจะได้ใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแล้วถ้าได้ใหม่แล้ ว, ลวไม่ถูกใจก็ทุกข์อีกต่ อ, อไปบริโภคของที่มันเป็นสแสลงใจขึ้นมาก็ทุกข์อีกดันั้นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้มันเป็นการเสพความทุกข์เสซะมากกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เคยเสบมาท่านก็เป็นพระราชโอรส มีเศพรูปเสียงกลิ่นรสของมราชาโอรสเนี่ยมีที่มีปราสาทสามฤ ด, ดูเห็นไหมมีนางสนมก้อนนันมีอะไรต่างๆคอยมาให้ให้ความสุขทุกรูปแบบแต่พระองค์ก็ยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์เนีคนฉลาดจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่คนไม่ฉลาดนี่จะแถมว่าเป็นสุขเห็นคนนั้นคนนี้ก็มีรถมีบ้านมี มีอะไรต่างๆเยอะแยะเห็นแล้วอิจฉาอยากจะมีเหมือนเขาแต่คนฉลาดเห็นแล้วจะว่ากูไม่อยากมีหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องเจออันนี้จังในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันนี้คือใจของผู้ที่ไม่มีธรรมะไม่มีไม่มีศาสนา ก็จะหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็จะทุกข์ทุกข์มากกับคนที่มีาศาสนาแม้แต่ไม่ใช่าศาสนาพูทธเขาก็ยังเขาก็ยังสอนให้คนบริโภครูปเสียงกลิ่นรส น, นี้ด้วยความระมัดระวังใช่หไหมาศาสนาอิสลามนี้เขาระวังเรื่องกลาง ม, มากก็ไม่ให้ผู้หญิงนี่เปิดเผยตัวเองเพื่อเป็น เป็นอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดการมาราคะขึ้นมาไม่ให้หญิมแต่งหน้าทาปะให้ปิดหน้าปิดตาหมดเลยปิดทั้งร่างกายเลยไม่ให้เห็นอะไรเลยมันจะได้ไม่ไปปลุกระดมปลุกไอ้พวกกิเลสการมาราคะให้เกิดขึ้นมาสมัยใหม่นี่มันเป็นสมัยเขาเรียกอะไร สมัยอิสระอิสระคือศาสนาของคนสมัยใหม่ทุกคนมีสิทธิที่จะทำอะไรได้ตามความพอใจของตนตราบใดถ้าตนไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นเขาอะไรปล่อยให้แต่งเนื้อแต่งตัวเปื่อยกงเปื่อยกายกันได้ในทุกรูปแบบนะนี่เดินไปนี่ไม่ท่าไม่ต้องจินตนาการแล้ว ผ้านี้มันแทบจะไม่มีใส่แล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันพอเห็นแนละ้วมันก็ไปกระตุ้นอารมณ์กระตุ้นอารมณ์คนทำให้คนต้อง <c oughs> ทำอะไรต่างๆแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาพ่อไปเสพลูกเสียงเกินนั่น ไม่รู้จักการเสพความสงบกันไม่มีศาสนาสายที่สอนเรื่องของการเสพความสงบกันมีศาสนาพุทธนี่แหละที่สอนการเสพความสงบศาสนาอื่นก็เพียงแต่สอนให้รู้จักประมาณอย่าให้มันมากเกินไปยังคิดว่าเป็นมนุษย์อยู่ยังต้องมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาอยู่แต่ศาสนาพุทธบอกไม่ต้องมีหรอกสามีไม่ต้องมีภรรยามีก็ทุกข์ อย่ามีดีกว่าอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสของใครเลยไม่ว่าจะเป็นของสามีของภรรยาหรือของสิ่งต่างๆเสพแล้วเดี๋ยวมันก็ติดมันยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์หรือเวลาเสพที่มันเป็นของที่แสลงใจก็ทุกข์ถึงกับค่าตัวตายเนี่ยพอไปเสพของที่มันแสลงใจ มาเสพของที่ปลอดภัยดีกว่าของที่ดีคือความสงบที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละมันรอเราให้มาทำใจให้เราสงบกันใจเราไม่สงบเพราะเราไปเสพพวกรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเวลาเสพใจเราต้องต้องดิน้นต้องทำงานต้องใช้ความคิดมากจะทำไงถึงจะได้สิ่งนั้นมาทำไงถึงจะได้คนนั้นมาทำไงถึงจะได้ตำแหน่งนั้นมา มันก็คิดคิดแล้วมันก็ต้องทำยิงยิงย่งยิ่งคิดยิ่งทำมันก็ยิง่งยิ่งวุ่นยิ่งไม่สงบยิ่งไม่มีความสุขถึงแม้ว่าได้สิ่งที่อยากได้มาก็สุขเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวมันก็คิดใหมล่ละคิดอยากจะได้มากกว่าเดิมได้คือพาทีก็คิดอยากจะเอาเป็นศอกพอได้สอกก็อยากจะเป็นวานมันก็มีของไล่ไป ตามไล่อยู่เรื่อยๆเหมือนวิ่งตะคุบเงาตะคุบเท่าไหร่ก็ไม่ทันเงามันก็จะรอเราอยู่ข้างหน้าเสมอได้ตำแหน่งนี้มาแล้วก็มีตำแหน่งนั้นรอต่อแล้วทุกแห่งทุกคนมันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะได้อะไรมามากมายได้รางวัลมาเป็นสิบเป็นร้อยแต่ใจก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมยังอยากเหมือนเดิม เพราะใจไม่ใจไม่ได้เสพของที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอสิ่งที่จะทำให้ใจเราอิ่มํำให้ใจเราพอก็คือความสงบนี่แหละถ้าเราทำใจให้สงบได้ใจเราจะอิ่มจะไม่หิวกับรูปเสียงกิน่นรถจะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญอยู่แบบคนธรรมดาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไร อรูอพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านอยู่แบบนั้นท่านไม่มีราบยศสรเสริญไม่มีรูปเสียงกิน่นกันแต่ท่านอยู่อย่างปรมังสุขขังอยู่ด้วยใจที่สงบลำงับจากความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆอันนี้แหละเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตของพวกเราถ้าเราอยากจะหาความสุขอย่าไปหาความสุขจากราบยศสรเสริญ อยกรู้เสียงกลิ่นรสผดผะเพราะว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์มันเป็นสุขต้นแต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบอันนี้มันแต่มันจะเป็นการหาความทุกข์เพราะมันจะทุกข์ก่อนที่มันจะสุขทุกข์เพราะว่าเราต้องเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะมาหาความสุขทางความสงบได้ให้ถือศีลแปดนี่ก็ทุกข์กันแล้ว ข้าวเย็นก็ไม่ได้กินละทีวีก็ไม่ได้ดูแปนก็ไม่ได้นอนด้วยละ อ, อะไรต่างๆไม่ได้ทำผ่านทางร่างกายละมันก็ทุกคนจ่มาทางความสงบกันไม่ค่อยได้เพราะฟันฝ่กความทุกข์ตรงนี้ไม่ได้อพอให้ถือศีลแปดนี่ก็คิดหลายตลบเลยแตใ่ให้ไปเที่ยวนี่ไม่ไ ม, ไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องพอชวนปั๊บไปได้เลยใช่ไหพอเพื่อนโทรมาชวนไปไม ไปเลยแต่ถ้าชวนไปถือสินแปดอยู่วนะเดี๋ยวขอคิดก่อนแต่เราต้องมองถึงความสุขที่จะตามมาในภายหลังความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราต้องระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่เราจะได้มาทาใจให้สงบได้ถ้าเรายังหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายใจจะไม่มีวันสงบ พอใจต้องใช้ความคิดหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆในเมื่อเช้านี่มีญาติพี่น้องญาติโยมเคยมาถามว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่บอกเก้าสิบเก้าเก้าสิบเจ็ดแต่ยังอยากออกไปข้างนอกอยู่ต้องพาออกไปข้างนอกอยู่บ้านมันซึมะมันเศร้ามันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสแห้แท้ พอออกไปข้างนอกไปกินอาหารไปรับประทานอาหารไปดูอะไรก็ใจมันก็ยังเสบรูปเสียงกลออิ่นร้อนจี๊ดแ่แม่ร่างกายจะแก่แต่แต่ใจไม่ได้แก่ไปกับร่างกายกินเลส ก, ก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายกินเลสไม่มีวันแก่ไม่มีวันอไม่มีวันเจ็บนะแต่มันมีวันตายถ้าเราปฏิบัติธรรมมันจะมีวันตายแต่ ถ้าเราไม่ไปปฏิบัติธรรมนี้วันแก่วันเจ็บวันตายจะไม่มีในกิเลสต่อให้ร่างกายอายุกี่มากน้อยเท่าไหนมันก็ยังอยากเหมือนเดิมอยากเหมือนตอนเป็นเด็กอยากเหมือนตอนเป็นหนุ่มตอนแก่ก็อยากเหมือนเดิมพ่าเราส่งเสริมมันเราไม่เราไม่ข้ามันว่าเราทําตามความอยากการทําตามความอยากนี่เป็นการส่งเสริมให้มันมีอายุยืนยาวนาน แต่เราอยากจะให้มันอายุสั้นเราก็อยากไปทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากไม่ทำตามเดี๋ยวมันก็ตายอยากบุหรี่ลองเลิกองไม่สูบดูสิทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเนี่ยเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่ก็จะหายไปอยากดื่มกาแฟก็ลองดูอย่าไปดื่มมันเดี๋ยวมันก็หายไปอยากเที่ยวอย่าไปเที่ยวตามที่มันอยากเดี๋ยวมันก็หายอยากแต่เราไม่เคยฝืนมันเลย มีแต่ทำตามเหมันเพราะว่าเวลาอยากแล้วใจมันไม่สบายแล้วแล้วพอไปพอไปได้ไปทำตามความอยากมันก็หายความไม่สบายใจก็หายไปชัว่วทางก็เลยคิดว่าเป็นการหาความสุขแต่ความจริงเป็นการระ ง, งับความความไม่สบายใจที่เกิดจากมิเกิดจากการมีความอยากนั่นเองเราก็ไม่รู้ว่าเป็นการต่ออายุของความอยาก พอทำตามความอยากแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่พออยากสูบสูบบุหรี่ก็สูบเดี๋ยวสูบเวลาเวลาอยากก็ไม่สบายใจพอได้สูบก็สบายใจขึ้นมาแต่เดี๋ยวก็อยากความอยากสูบบุหรี่มวลใหม่ก็กลับมาใหม่ก็ต้องสูบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรายอมทนทรมานกับความอยากสักพักเดียว พอความอยากมันหมดกําลังความทรมานใจมันจะหายไปแต่ถ้าจะให้ดีถ้าเรามีสมาธิมีความสงบทางใจแล้วเลิกได้อย่างง่ายดายเพราะความทรมานใจจะไม่เกิดถ้าเกิดก็น้อยมากอยากร้อยหนึ่งหรือแค่หนึ่งหรือ2อสามเปอร์เซนตท่นันเองแต่ถ้าไม่มีสมาธินี่มันทรมานใจร้อยเปอร์เซ็นตเวลาอยากอะไรแล้วไม่ได้ทําตามใจอยากนใจมันจะทรมาน แต่ถ้าเรามาฝึกสมาธิทําใจให้สงบทําให้ใจให้เป็นอุมเมขาได้เวลาเกิดความอยากนี่ความทรมานใจมันจะมีแค่หนึ่งหรือสอามเปอรเซนั่นเองเพียงแต่มาอย่าเรานิดหน่อยนั่นเองแต่เรานี่สามารถที่จะฝืนได้ทนได้เนื่ยการที่เราจะทําใจให้สงบมันก็ต้องอาศัยสติและปัญญาสติก็จะทําให้ใจเราสงบ ชั่วข่าวก่อนแล้วเราก็เอาความสงบชั่วข้าวนี้มาเป็นเครื่องมือมาทำลายต้นเหตุของความวุ่นวายใจของความไม่สงบคือปัญญาส อ, อนนี้เราเห็นว่าตัวที่ทำลายจิตใจสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจก็คือความโลภความอยากนี่เองอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้อะไรทั้งนั้น ความอยากสามชนิดอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากอยากได้ลาบยศสารเสิรินและความอยากไม่สูญเสียลาบยศสารเสรินที่ได้มาไปเราความอยากอย่างอื่นนี่ไม่เป็นปัญหาอยากฆ่ากิเลสนี่เป็นความอยากที่ดีเช่นอยากรักษาศีลอยากจะทำบุญอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากบวชอันนี้เป็นความอยากที่ไม่ ไม่ได้หมายถึงความอยากที่เป็นเป็นเป็นเหตุของความทุกข์ความอยากที่เราอยากทำบุญอยากปฏิบัติทำนี้เป็นต้นเหตุของความสุขถ้าความอยากเป็นที่เป็นต้นเหตุของความสุขอยากได้อยากค่ากิเลส น, นี่ฆ้าได้ค่ากิเลสก็ไม่บาปด้วย <c oughs> เพราะค่ากิเลสแล้วใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุข ฉะเวลาพูดถึงความอยากขอให้เข้าใจว่าหมายถึงความอยากสามตัวนี้กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเท่านั้นอย่าไปเป็นสีถนนใช้พอบอกว่าความอยากไม่ดีก็เลยเงั้นอยากบวชก็ไม่ได้อยากรักษาสีนี้ก็ไม่ได้อ้มันเป็นอย่างนั้นไปทำไมทาไมมันฟังทั้งทั้งที่เวลาบอกก็บอกมีสามอย่างเนี่ยความอยากกามาตัญหาเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเ่ิ่มอยากรวยเนี่ยอยากเป็นดาราอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยากมีชื่อมีเสียงอะไรมีหน้ามีตาพวกนี้เรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาที่สิ่งที่เรารักเราชอบเช่นราบยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ไม่อยากจะเสียมัน พอจะเสียมันก็ทูกใจขึ้นมามหรือแม้แต่ร่างกายก็เหมือนกันความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เป็นวิภาวะตัณหาเหมือนกันนี่คือความอยากสารประการที่เราต้องมาทําลายแต่ความอย า, อยากอย่างอื่นนี่ไม่ต้องทําลายอยากปฏิบัติทำไปเลยอยากนั่งสมาธินั่งเลยตากลิ่นมันฉลาดมันจะมันจะหลอกเราโอ๊ยนี่เราไอ้ดีก็อยากไอ้นั่นก็อยากทําไม่ได้ทักอย่าง พอจะทําบุญก็ความตณ์หนีมันก็มาหลอกแล้วว่านี่เป็นความอยากนะเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำเลยหลงประเด็นไปต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆแล้วก็อาศัยการสอบถามเมื่อฟังแล้วไม่เข้าใจอย่าอายถามได้เพราะพวกเราทุกคนมาเรียนรู้กันต้องคาทางของเรานอกจากจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ได้ ผู้ที่เขายังไม่มีปัญหาพอเขาได้ยินได้ฟังเขาก็จะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเขามีปัญหาแบบนี้เขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะต้องแก้ไขอย่างไรอันหนึงเวลาถามตอบปัญหาจึงอยากจะให้ถามตอบผ่านทางหน้าใหม่ไม่อยากให้มาถามผ่านหลังใหม่เพราะว่ายิงนกทีเดียวได้ตัวเดียวถ้าหน้าใหม่ในยิงนกยิงนกตัวหนึ่งได้ตัง้งห้าหกร้อยตัวเนี่ย มันหนึ่งคนเข้ามาทางโซเชียลก็หนะ้าหกร้อยละสี่ห้าร้อยละก็เขาได้ยินได้ฟังคำถามของคนอื่นเขาก็ได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยแล้วก็จะทำให้การถามปัญหานี้มันน้อยลงไปด้ว ย, ยงั้นเดี๋ยวก็ถามปัญหาซ้ำซากอยู่นั่นเนะ่เดี๋ยวนี้คนอ่านคำถามความรู้ละคำถามไหนก็ไม่ถเพราะมันถามถามันจะกระทั่ง จำได้หมดนะคนคนอ่านเขาจาได้ครับก็เลยไม่ถามอเห็นถ้าทําถามบางคําถามถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการถามก็อย่าไปคิดว่าอาไม่ไม่ได้ถามนะเพราะบางทีเห็นว่ามันซ้ํากันเรื่องคําถามบางอย่างมันก็นอกประเด็์ของการปฏิบัติก็ไม่อยากจะเสียเวลาเอาแต่เรื่องปฏิบัติ ด, ดีกว่าเรื่องวิธีการดับทุกข์ดีกว่า เรื่องของชาวบ้านชาวช่องปล่อยเข้าไปใครเขจะดีใครก็จะชั่วก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราขอให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราก็พอแล้วแล้วนะก็คิดว่าช่วงแรกนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาเรวะหาปุราปาริกปุเรติสาคหลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิจโตติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภะอธิวาเทนศิลิตสะนิจังอุทาปจายโนจตารุธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลางมานนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่ วันนี้เฟซบุ๊กสูงสุด459ค่ะอะ YouTube 124ค่ะอะก็500กว่า570กว่า83 <80. S 1> อ 8.3 เห็นไหมยิงนกเนีย่ยยิงด้วยลูกกระสุนนกเดียวนี่<ช>ได้นกต้องหลายตัว500กว่าตัว<ช>วันนี้มีทางต่างประเทศเข้ามาไหมยั ง, ยงค่ะยังไ ด, ได้ถามได้เลย ถ่านครับผู้รู้นี่เป็นสังขารไม่ผู้รู้ผู้รู้เป็นผู้รู้สังขารเป็นความคิดปลุ่มแต่งสิ่งผู้รู้ก็ไม่เปลี่ยนไปก็เราก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นจําเลยไม่เป็นไม่เป็นผู้ที่เราจะต้องไปกังวลว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือสิ่งที่เราไปไปยึดไปติดแล้วไปทุกข์กับมัน เราต้องไปเห็นสิ่งนั้นเหล่านั้นว่าเป็นตายรักเพราะมันเขาเป็นตายรักแต่ผู้รู้นี่มันเป็นรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นแต่ว่ามันรู้แบบหลงไงรู้แบบหลงแล้วก็ไปหลงรักสิ่งที่เป็นตายรัก<ม>แล้วพอมันมันเกิดการพัดพาคจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสูญเสียก็ทุกข์<ม><ม>เพราะคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลง ว่าได้อะไรมาแล้วก็จะให้แต่ความสุขเราไปตลอดแต่พอสิ่งที่เราได้มาเสื่อมไปเปลี่ยนไปเสียไปจากเราไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเราเลยต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้น <c oughs> เพื่อให้เราจะได้ไม่ไปหลงไปรักไปชอบไปอยากได้เขาส่วนผู้รู้นี่เราไปทำยังไงมันก็มันก็รู้ของมันอยู่อย่างนั้น มันไม่ได้เป็นตัวปัญหาคือจะว่ามันเป็นตัวปัญหาก็คือมันมันไปหลงเนี่ยมันไม่เห็นความจริงของสิ่งที่มันไปหลงว่ามันเป็นทุกข์ไปคิดว่าเป็นสุขเราเลยต้องเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มาทรงค้นพบความจริงว่าของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขเนี่ยมันเป็นความทุกข์แต่เรามองไม่เห็นเห็นแต่ความสุข เหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมเนี่ยเด็กมันจะไม่รู้ว่าเป็นยาขมเหาะเพราะมันเวลาเอาลิ้นไปแตะมันก็หวานดี<ม>ใช่ไหยพวกเราก็เป็นเหมือนเด็กเนี่ยพอเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็พอไปแตะหน่อยก็โอ้ยหน้าน่าดูหน้าฟังหน้ากินหน้าดื่มขึ้นมาแต่เราไม่ไปดูตอนที่มันหายไปมันหมดไปไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังก็เป็นไงเงา เชาสร้อยไว้เหงาไหมถึงต้องเปิดสื่อดูกันใช่ไหมลองปิดสื่อดูสักวันเลย <c oughs> ไม่บริโภคสื่อไม่บริโภครูปเสียงกลิ่นลดดูแล้วจะรู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงดังนั้นอย่าไปสนใจกับตัวรู้ตัวรู้ให้รู้ว่าเป็นตัวรู้เป็นตัวที่ตอนนี้ถูกหลอกให้ไปหลงให้ไปรักไปชอบสิ่งที่เป็นทุกข์กัน พอมันเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้จักวิธีแก้แก้ก็แก้ผิดแก้ก็ไปฆ่าตัวตายกันความทุกข์ก็ไม่หายปัญหาก็ไม่หายพอพอมาเกิดใหม่ก็มารักมาชอบของเดิมใหม่มารักมาชอบของที่เป็นทุกข์ใหม่แล้วพอของที่เราลักเราชอบกลายเป็นของที่เป็นทุกข์ไปเราก็ฆ่าตัวตายหนีมันนี่เราต้องไม่บริโภคมัน ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นยาพิษเราอย่าไปดื่มมันก็ไม่ท้องก็จะไม่เสียใช่ไหมแต่ถ้าเราไปคิดว่ามันเป็นเครื่องดื่มอันโอชารสเนี่ยเราก็เลยดื่มรสมันดีแต่พอเข้าไปในท้องแล้วมันทำให้ท้องเสียเป็นอย่างนี้ของต่างๆที่เราบริโภคกันคือราบยศสารเสิร์นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยร้ามีภรรยาลูกเนี่ยที่เราบริโภคที่เรามีความสุขกับเขาเนี่ย เดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็าจะต้องทําให้เราทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จะทุกข์ในรูปแบบไหนล่ะมันเดี๋ยวขัดใจกันก็ทุกข์ละเมื่อาาวานนี่แม่ก็เขียนข้อความลูกสาวหนีไปอยู่กับแฟนไม่อยู่กับแม่แล้วทุกข์ไหมระวังเดี๋ยวลูกสาวก็ไปอยู่กับแฟนเราจะทํำยังไงก็ ค, คิดบ้างหรือเปล่าถ้าคิดไว้ล่วงหน้ามันก็จะไม่ทุกข์ไง ต้างคิดว่ามันไม่แน่นอนลูกอาจจะอยู่กับเราไปจนวันตายก็ได้หรืออาจจะไม่อยู่กับเราไปจนวันตายก็ได้วันดีเกินดีเขาอาจจะไปอยู่กับคนอื่นก็ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้มันก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าหวังให้เขาอยู่กับเราไปไม่ให้เขาไปอยู่ที่อื่นพอเขาไปเราก็จะเสียใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาสนใจกัน ไม่ทํางไปสนใจตัวรู้หรอว่ามันเป็นอนิจจังทุกครั้งนาั้ตายหรือเปล่ามันอยู่กับเราไปตลอดน่ตัวรู้มันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่กับเราเราเป็นเราออกมาจากตัวรู้เราเป็นความเราเป็นตัวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเราคิดว่าเราเราก็เลยเป็นเราขึ้นมาทั้งนี้ความจริงเราก็คือตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวคิดแต่เราไปกลับไปหลงกับความคิดที่มันคิดสร้างขึ้นมา สร้างเราขึ้นมาเราก็เป็นเพียงแต่การจินตนาการของจิตขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเท่ น, นั้นเองไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวรู้ให้สนใจเรื่องราบยศเสรรเสริญสนใจเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสให้เห็นมันตลอดเวลาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปบริโภคมันไม่ไปยุ่งกับมัน อยู่แบบไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเลิกบริโภคลาบยศสรรเสริญเลิกบริโภครูปเสียงกลิ่นรสท่านมาบริโภคความสงบแทนแล้วก็มาตัดความอยากในการที่จะบริโภคสิ่งเหล่านี้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบอย่างถาวรเข้าใจไหมมีอีกไหม าวสอ๋อจิตไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆเนี่ยเห็นแล้วก็เฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นเงินก็เฉยเห็นเจ้านี่ก็เฉยเห็นอะไรก็เฉยได้ยินอะไรก็เฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เฉยคือเฉยกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กับอารมณ์ต่างๆ จะเฉยแบบนี้ได้จิตต้องเข้าไปในสมาธิเหมือนกับน้ําเย็นการที่เราจะทําให้น้ําเย็นเราต้องเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นพอแช่ในตู้เย็นแล้วน้ำก็จะเย็นใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเราเข้าไปในสมาธิก็เหมือนเข้าไปในตู้เย็นใจเราจะเย็นจะเฉยจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็ยังเฉยได้อยู่ชั่ว เหมือนกันนะเวลาออกจากตู้เย็นมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเย็นมันก็ค่อยจางหายไปออกจากสมาธิมาใหม่ๆนี่อุเบกขามันยังมีอยู่เต็มที่แต่พอมาเริ่มสัมผัสกับสิ่งต่างๆมันก็จะเริ่มหายไปความเย็นความเฉยก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปอตอนต้นใครด่าก็เฉยได้แต่พอมัน ปูเบะขาหายไปนี่ใครด่าหน่อยนี่ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีถ้าเกิดอารมณ์นักปฏิบัติก็เลยต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่นนักปฏิบัติเนี่เราจะต้องหมันเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆออกมาเพียงแต่เพื่อมาดูแลร่างกายมาถ่ายมาอะไรมากินมาทํากิจวัตรพอไม่ต้องทําอะไรแล้วก็กลับเข้าไปเอาน้ําเอาจิตเข้าไปแช่ในตู้เย็นใหม่พยายามให้มันเย็นเรื่อยๆแล้วต่อไป เวลาออกมามันก็จะเย็นได้นานแล้วพอมันจะหมดก็รีบเข้าไปใหม่แล้วเข้าไปในสมาธิใหม่แล้วต่อไปใจเราจะเย็นตลอดเวลาเหมือนกับน้ําเย็นพอเราต้องการดื่มแล้วก็เอามาดืม่มดื่มเสร็จแล้วก็เก็บเข้าไปในตู้เลยอย่าปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกถ้าปล่อยทิ้งไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็หายเย็นแต่ถ้าเราอยากจะให้น้ําเย็นตลอดเวลาเราก็เอาออกมาเวลาเราอยากจะดืม่มแล้วก็ออกมาดื่มได้ เดือเส็จแล้วก็น้ํากลับเข้าไปในตู้เย็นต่อใจเราก็เหมือนน้าเนี่ยจะเย็นก็ต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่ใจเรามันต้องออกมาทํางานมาดูแลร่างกายนะก็ออกมาเวลาออกมาดูแลร่างกายก็ต้องรักษาความเย็นด้วยการกด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไวนะนะ้มันก็จะเย็นได้นานแต่ถ้าเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเดี๋ยวมันร้อนละเพราะอยากได้โน่นอยากได้นี่ขึ้นมา ใจเย็นหายไปละใจร้อนผูกขึ้นมาดังวั้นเราจากสมาธิมาเราต้องใช้สติประครับประคองไปก่อนถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นถ้าใช้ปัญญาเป็นได้ยิ่งดีเพราะมันจะทําให้จิตเย็นไปตลอดเย็นแบบไม่ต้องเข้าไปในในตู้เย็นเลยถ้าเรามีปัญญาพอเราจะทําลายตัวที่ตัวร้อนที่จะมาทําให้ใจเราร้อนตัวที่จะมาทําให้ใจเราร้อนก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เอ อยากได้อะไรถ้ามีปัญญาก็บอกทุกนะได้มาแล้วทุกนะได้แฟนมาแล้วทุกนะได้ลูกมาแล้วทุกนะพอมันรว่าทุกมันถอยดีกว่าแต่ถ้าเป็นกิเลสถ้าไม่มีปัญญากิเลสก็จะบอกได้แฟนมาแล้วสุขนะได้ลูกมาแล้วสุขนะเห็นคนไ่นเห็นลูกของคนอื่นเวลาเขาเลี้ยงตานเด็กๆว่าน่ารักนะ่าว่านอนสอนง่ายเหมือนตุ๊ ก, กตา ก็อยากได้กับเขามาั่งแต่ไม่ดูตอนที่มันดื้อเป็นยังไง <c oughs> อันนี้แหละต้องมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะหยุดตัวที่จะมาทำให้ใจเราร้อนคือความอยากความโลภความอยากได้ทุกครั้งที่เราโลภเราอยากได้อะไรถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะหยุดความโลภความอยากไม่ทาตามมันเ่ะอยากจะสูบไปเสูบแล้วทุกข์นะสูบลต้องสูบไปเรื่อยๆนะไม่มีวันจบนะ แล้วเวลาไม่ได้สูบก็ทุกข์นะแล้วสูบว่าถึงแม้จะได้สูบก็ทุกข์นะเพราะต่อไปร่างกายมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษของควันบุหรี่นี่ถ้าเห็นความทุกข์แล้วมันก็ไม่เอาดีกว่ามันก็จะทําให้ใจหายร้อนได้ถ้ า, าความอยากหยุดไปปั๊บความเย็นของใจก็จะกลับเข้ามาแทนที่ ท, ทันทีตัวที่ทําให้ใจเราร้อนก็คือความอยากความโลภนี่เองไม่มีอะไรความโกรธเนี่ย ถ้าเรามีปัญญาก็ยิ่งดีกว่าสติถ้ายังไม่มีปัญญาก็เอาสติก่อนพอโลภอะไรก็พุทโธพุทโธไปไป <c oughs> <c oughs> อยากได้อะไรก็พุทโธพุทโธไปพอพุทโธไปสักพักเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่เราโลภเราอยากใจก็กลับมาเย็นเหมือนเดิม <c oughs> แต่ต้องใช้ปัญญาต่อไปแต่เบื้องต้นถ้ายังใช้ไม่เป็นก็ใช้สติไปก่อนเวลาออกมาจากสมาธิถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้มันร้อนมากเกินไป ออกมาก็ต้องคอยพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงขนมนมเนย <c oughs> คิดแล้วเดี๋ยวมันอยากอยากแล้วต้องไปทาตามความอยาก <c oughs> แล้วมันก็จะร้อนขึ้นไปเรื่อยๆพ อ, พออยากแล้วมันยิ่งอยากมากขึ้นไปเรื่อยๆความอยากมันไม่มีน้อยลงมันมีแต่จะมากขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำน้าทะเลมหาสมุทรจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็ยังมีขอบมีฝั่ง แต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่มันยิ่งกว้างขยายออกไปได้เรื่อยได้คือก็อยากจะได้สองใช่ไหมได้สอง ก, ก็อยากจะได้วาตอนต้นมาเกิดนี่มีเงินสักกี่บาทไม่มีใช่ไหมตอนเด็กๆพ่อแม่ให้ใช้ทีละสิบบาทก็ดีใจแล้วพอโตขึ้นมาอะไรต้องร้อยบาทแล้วพอโตขึ้นมาก็ต้องพันบาทแล้วเดี๋ยวนี้พันบาทพอไหมไม่พอล มีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีล้านหนึ่งก็ไม่พอสิบล้านก็ไม่พ อ, อไม่มีวันพอหรอกความอยากถ้าลองปล่อยถ้าทำตามความอยากแล้วมันมีแต่จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆแล้วเราต้องมาหยุดความอยากกันเพราะมันอยากแล้วมันร้อนถึงแม้มีอยู่สิบล้านแล้วอยากได้ร้อยล้านมันก็ร้อนขึ้นมาแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมีสิบล้านท่นี้มีความสุขไม่สุขแล้วต้องมีร้อยล้านถึงังมีความสุข พอมีร้อยล้านก็ไม่สุกอีกแล้วเพราะต้องมีพันล้านถึงจะมีความสุขมันก็หลอกเราไปเรื่อยๆเราต้องพยายามทําใจให้เป็นอุบเบกขาให้ได้แล้วมันจะเฉยถ้าใจเย็นแล้วมันจะเฉยกับความอยากได้แต่ถ้าถ้าเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าความเฉยเราหมดหมดกําลังเราก็ต้องใช้สติสร้างมันขึ้นมาใหม่พุทโธขึ้นมาใหม่หรือไม่ น, นั้นก็ต้องใช้ปัญญาฆ่าความอยากที่มาทําให้ใจเราร้อน มีสองวิธีถ้าใช้สติก็สติก็จะสร้างความความความเป็นกลางความเฉยให้เกิดขึ้นมาแต่ถ้าใช้ปัญญามันก็จะฆ่าความอยากที่จะมาทำให้ใจเราไม่เฉย่่งที ห, ห, หตัวเราเนี่ยแหละหลอกตัวเราเอง <laughs> <laughs> แต่เราเรียกมันว่าเป็นกิเลสเ<า> <laughs> ความโง่ของเราเนี่ยคือเราไม่ฉลาดเราไม่เราไม่ศึกษาเราไม่ดูความจริงกันเราพออยากปั๊บเนี่ยมันมองไม่เห็นความจริงละมันเห็นแต่ของที่เราอยากได้คิดอย่างเดียวว่าเป็นสุขอย่างเดียวได้มาแล้วจะมีความสุขไม่มองเห็นความจริงว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขแบบน้ำตาลเคลือบยาขมเนี่ยเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้ เวลาได้มาใหม่ๆก็สุขกันไหมแต่งงานกันใหม่ๆนี่สุขไหมพอมอกข้าวไม่ทันดำนี่ทุกข์แล้วไหมมองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเพราะความสุขมันมันมันบังบังไว้ถ้าไม่ใช่ปัญญาก็มองไม่เห็นเหมือนร่างกายเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ปัญญาจะมองไม่เห็นตับไตไส้พุงหะออยมันก็จะเห็นว่าสวยว่างาม น, น่ารักะ แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีษะเห็นตับเห็นปอดเห็นไตเห็นลำไส้เหมือนอันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นความทุกข์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ท่านที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของความสุขความสุขอยู่ข้างหน้าแต่ความทุกข์มันกำลังเป็นเงาตามตัวมาได้อะไรมาใหม่ๆนสุขไหมดีใจไหมโอ้ซื้อของใหม่มานี่ดีใจ ใช้ไปสักพักพอเริ่มเสียเริ่มปวดหัวแล้วเลยหรือ <c oughs> หายไปซื้อรถมาใหม่ๆดีใจพอรถหายไปนี่เสียใจแล้วทุกข์ใจแล้วเราไม่เห็นความทุกข์เพราะว่าเราไม่เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราว เราต้องหัดมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการสิ้นไปมีการหมดไปนล้วมันจะทําให้เราไม่อยากได้อะไรพอไม่มีความอยากใจเราก็จะเย็นจะสงบจะเฉยจะสบายจะสุขเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาทํานี้ก็เพื่อให้เราเข้าหาความสุขตัวนี้ ที่ให้มาทําบุญทําทานก็เพื่อให้เราเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากนี้เอามาทําบุญแทนความอยากจะได้หายไปอยากซื้อกระเป๋าจะได้หายไปอยากซื้อรองเท้าจะได้หายไปทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋าก็เอาไปทําบุญดีกว่าทุกครั้งอยากจะซื้อรองเท้าก็เอาไปทําบุญดีกว่ารองเท้าก็มีอยู่หลายคู่แล้วกระเป๋าก็มีอยู่หลายใบแล้วซื้อมาทําไมอถ้าคิดอย่างนี้ต่อไปก็ไม่อยากจะซื้ออะไรถ้าซื้อก็ต้องซื้อเพราะมันไม่มีใช่แล้ว เป็นกระเป๋าขาดหกระเป๋าหายไปหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่แต่จะซื้อเฉพาะเวลาที่มันจาเป็นต้องซื้อเท่านั้นะไม่ซื้อตามความอยากแล้วพอไม่มีความอยากก็สบายเวลาอยากซื้อของกับเวลาไม่อยากซื้อของอันไหนสบายกว่ากันเวลาอยากซื้อนี่อยู่บ้านไม่ติดนะต้องไปชอปปิงนะ้งแล้วแต่ถ้าไม่มีความอยากซื้อไม่อยากไปไหนอยู่บ้านดีกว่าสบายนอนอยู่บ้าน นี่คือปัญญาเราต้องหัดคิดหัดมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเมื่อมันไม่มันไม่เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็ต้องทาให้เราทุกข์เพราะความสุขของเรามันหมดไปจากการที่มันมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นก็เปลี่ยนไปจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมา อ้าวทางคำถามทางบ้านนะั่งอาอีกอะอ่ากรณีผู้ปฏิบัติที่มีความกลัวเนี่ยขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์เลยครับความกลัวก็เกิดจากความคิดของเราเนะี่ยคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลัวกันมาก็เบื้องต้นก็หัดควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดนะพอมันกลัวก็พุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้พุทโธไปก็ได้อย่าให้มันไปคิด พอเราสดดวดหรือเราพุโทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องที่ทำให้เรากลัวได้แล้วพอพอเรื่องที่ทำให้เรากลัวเราไม่ได้คิดถึงมันหายไปความกลัวก็หายไปแต่อันนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเพราะเพราะเราเผลอไปคิดถึงมันเมื่อไหร่ก็กลัวขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะแก้ปัญหาอย่างถาวรก็ต้องมองถึงสิ่งที่เรากลัวมันทาอะไรมันจะทาอะไรกับเราบ้างอย่างมากมันก็ฆ่าเราเท่านั้น เช่ไหแล้วมันแ้เราไม่ตายเละร่างกายเราเที่ยงรือไม่เที่ยงมันเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราให้พิจารณาแค่นี้พอรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเรามันจะต้องตายมันอาจจะตายโดยวิธีไหนเราก็ไม่รู้ถ้าจะต้องถูกสิ่งที่เรากลัวฆ่าตายก็ให้มันฆ่าตายไปเราก็จะหายกลัวยอมถ้าเรายอมตายแล้วเราก็จะหายกลัว ถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เทีย่ยงเดี๋ยวมันต้องเป็นท้องสับปปเปลอไปสามีภรรยารักกันขนาดไหนพอตายก็ไม่เก็บเอาไว้ที่บ้านนะยกให้สับปปเปลอเลยสับเปลอเนี่ยเป็นเจ้าของร่างกายของเราเป่นผู้จะจัดการร่างกายของเราแปลงให้กายเป็นธาตุสี่เอาร่างกายนี้ไปเผาเหลือแต่ธาตุดินใช่ไห เหลือแต่คี้เท่าเหลือแต่เศษกระดูกหาดน้ำทานลมทาดไฟก็ระเหยไปกับไฟนะถ้าพิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตายแล้วยังไงก็ต้องตายอยู่ดีกลัวไม่กลัวก็ต้องตายต้อไปกลัวทาไมยอมตายถ้ายอมตายแล้วมันก็จะไม่กลัวแล้วมันจะหายกลัวจากนั้นไปนะจนวันตายเลยถ้ายอมตายแล้วปัญหาเรื่องของความกลัวนี่หมดไป ถ้ากลัวเรื่องอื่นก็ต้องก็ต้องยอมเรื่องอื่นเช่นกลัวจะถูกเขาดูถูกเหยียดหยามก็ต้องยอมให้เขาดูถูกเหยียดหยามถ้าให้เขายอมเขาดูถูกเหยียดหยามแล้วเขาจะดูถูกเหยียดหยามไงเราก็จะเฉยไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ยอมให้เขาดูถูกเหยียดหยามนี่เราจะกลัวเวลาใครเขาพูดดูถูกเหยียดหยามเรานี่เรายไม่อยากจะฟังเลยคือบางคนกลัวความมืดครับก็ต้องไปหาความมืดยอมอยู่กับความมืดให้ได้ อย่างมากดูซิว่าความมืดมันจะทำอะไรเราบ้างเรายอมตายถ้าอย่างมันก็จบมันทำได้อย่างมากก็แค่ตายนั่นเองมันจะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นหรือมันจะอารยาเราไปเวลาเราไปอยู่ในความมืดเราก็ต้องยอมเสียภรรยาไปถ้ามันจะมาเอาภรรยาตอนที่เราอยู่ในความมืดก็ให้มันออกไปเพราะเราไงสักวันหนึ่งเรากับภรรยาก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่ใช่หรอหรือมันจะมาเอาลูกเราไปก็ให้มันออกไป มันจะมาเอาทรัพย์สมบัติมาเอาบ้านเอาช่องมา อ, าอะไรมันก็ให้มันเอาไปยอมทุกอย่างยอมเสียทุกอย่างแล้วความกลัวมันจะหายไปแต่ถ้าเราไม่ยอมเสียเราก็จะกลัวไปเรื่อยใช่ไอม ย, ยอมเสียเพราะต้องพิจารณาบ่อยๆว่ายอมไม่ยอมก็ต้องเสียอยู่ดีแต่ยอมเราจะสบายสบายใจ ถ้าไม่ยอมแล้วจะทุกข์ใจไปวันไปจนวันตายจะวิตกกังวลเจ้าห่วงเจ้าหวงจะอะไรไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าพิจารณาเห็นว่าในที่สุดเราก็ต้องเสียไปหมดอยู่ดียอมเสียแค่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เสียดีกว่าเราจะอยู่อย่างสบายใจถ้าไม่ยอมเสียมันก็จะไม่สบายใจไปจนวันตายจนวันที่เราเสียเวลาเสียก็เสียใจเวลายังไม่เสียก็เสียใจกลัว กังวลวิตกมีแต่ความทุกข์ถ้าไม่ยอมเสียถ้าไม่ยอมรับความจริงความจริงก็คือไม่มีอะไรเป็นของเราสัพเพธรร ม, มาอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเห็นเห็นสองตัวนี้เห็นอนิจจงเห็นอนัตตาแล้วทุกข์ังมันจะหายไปถ้าไม่เห็นอนิจจงไม่เห็นอนัตตาทุกขังก็จะอยู่ในใจเราใช่ไหม ความกลัวก็คือความทุกข์ยากอเคนะเอาละทางบ้านนะ้องคำถามจากคุณโอน้องสาวไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วน้องจองไปปฏิบัติธรรมวันนี้น้องขอหอออกจากโรงพยาบาลเพราะมีความตั้งใจที่แรงกล้ามากโยมไม่รู้จะขัดยังไงน้องให้เหตุผลว่าอยู่ที่ไหนก็ตาย ย, ยอมตายในธรรมะ กราบขอคำแนะนําด้วยเจ้าค่ะก็ดีแล้วเนี่ยเราไปยุ่งกับเขาทําไมมันชีวิตของเขาเรามีหน้าที่ที่จะสนับสนุนเขาถ้าเขาไปในทางที่ดีเขาไปนี่เขาไปเขารักษาใจอถ้าก็อยู่โรงพยาบาลเขาก็รักษาร่างกายแต่ใจเขาก็จะทุกข์เพราะรู้ว่ายังไงก็รักษาไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเขาไปไปปฏิบัติธรรมนี้เขาไปรักษาใจเขาไป เอายามารักษาใจคือสติปัญญาธรรมโอสถถ้ามีสติปัญญามีธรรมโอสถแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายตายอย่างสบายคำถามจากคุณนีเวลาเดินจงกรมใส่รองเท้าได้ไหมคะได้คำถามจากคุณติติชัยถ้าผมไม่นำเงินไปถวายพระสงฆ์ที่เคยเสกคาถา เพาคุณพ่อเคยไปกราบแล้วพระส่งรูปนั้นเป่าคาถาให้คุณพ่อเลยคิดว่าทุกวันนี้มีโชคลาภเพราะคาถาของพระส่งรูปนั้นแต่เราเอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาลสงหรือสถานสงเคราะห์อื่นๆแทนผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกการทําบุญเราสามารถเลือกทํากับใครก็ได้เพียงแต่ว่าประโยชน์ของที่จะเกิดจากการทําบุญของเรานี้อาจจะมากน้อยต่างกับการไปอยู่ที่ผู้รับว่าจะเอาไปทําประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร ถ้าไปทำบุญกับโรงพยาบาลเขาก็าไปทำประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลถ้าไปทำบุญกับโรงเรียนเขาก็าไปทำประโยชน์กับการการศึกษาถ้าเอาไปถวายโรงพยาบาลสงฆ์เขาก็เอาไปทำประโยชน์กับการดูแลรักษาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ประโยชน์ก็ต่างกันไปแต่บุญที่เราได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะทำที่ไหนถ้าเป็นปริมาณเท่ากันบุญก็เท่ากัน ถ้าทำมากบุญก็มากทำน้อยบุญก็น้อยบุญเป็นเหมือนอาหารถ้ากินน้อยมันก็อิ่มน้อยถ้ากินมากมันก็อิ่มมากสังเกตดูถ้าเราทำาก้างๆนีใจเราจะอิ่มมากถ้าทำน้อยๆใจเราจะรู้ไม่รู้สึกอิ่มนะบางทีกินข้าวคาเหมือนกับกินข้าวคำสองคำนี่มันไม่รู้สึกอิ่มไม่เหมือนกับกินข้าวสักสองสามชามสองสามจานนี้มันอิ่มแน่นท้องเลย ลองทำบุญสิบาทยี่สิบาทกับทำบุญพันสองพันนี่มันต่างกันนะความอิ่มเอิบใจมันจะต่างกันคาถามจากคุณกามานุชิตเวลาผมนั่งสมาธิตอนแรกๆพยายามเกงหลังให้หลังตรงแต่พอนั่งไปนานๆมันจะงอตัวลงมาทุกทีแล้วต้องคอยยืดหลังอยู่บ่อยๆจะแก้ไขยอย่างไรดีครับ อ, อ๋ออย่าไปสนใจเราไม่ได้นั่งเพื่อมา มาดูมารักษาท่าของร่างกายเรามานั่งเพื่อรักษาใจให้สงบอย่างพอเราเริ่มเริ่มบริกรรมเริ่มนั่งภาวนาแล้วเราไม่ต้องไปสนใจกับร่างกายละมันจะงอไม่งอมันจะตรงไม่ตรงไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราให้ให้มีสติกับกับใจเช่นมีพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือถ้าดูลมก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าไปดูอย่าไปดูท่าของร่างกาย ไปดูท่าของร่างกายการการนั่งสมาธิของเราจะไม่เกิดผลจะเกิดผลต่อเมื่อเราปล่อยวางร่างกายไม่ไปสนใจกับร่างกายควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในท่าไหนก็ได้ท่าจะเอ็นไปทางซ้ายทางขวาหรือเหมือนจะงอบ้างไม่ตรงก็ไม่เป็นปัญหาเลยคําถามจากคุณใบเงิน ดิฉันมีญาติญาติคนนี้เล่าให้ดิฉันฟังว่าดิฉันก็ว่านายพลไปมีสาวใหม่ดิฉันก็พยายามแนะนำให้มาทางปฏิบัติแต่เธอก็มีความเครียดแค้นมากเธอมีความเคียดแค้นว่าสามีเอาทองไปถวายพระเธอจึงไม่เชื่อพระเธอว่าคนที่ใส่ชุดขาวดิฉันก็พยายามพูดคุยให้เธอคลายคลายลงดิฉันจึงปล่อยวางไม่ยุ่งให้เธอไปทำไปตามทางวิบากของเธอดิฉันทำถูกไหมคะ ถ้าเราบอกก็แล้วก็ไม่ฟังก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราแล้วในฐานะเพื่อนที่ดีชี้ทางออกที่ดีแล้วแต่ถ้าเขาไม่ยอมไปทางนี้ก็ช่วยไม่ได้เราอยากจะไปทางที่ทําให้ใจเขาร้อนก็ปล่อยเข้าไปทางที่ทําให้ใจเขาเย็นเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้คําถามจากคุณโกขณะท่องพุทโธตามลมหายใจถ้าจะท่องพุทโธเร็วกว่าลมหายใจแบบทีๆได้ไหมครับ ได้ก็เราอย่าไปสนใจลมเเอาพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องใช้ลมใช้พุโทโธอย่างเดียวเราสามารถที่จะปรับความเร็วความช้าของพุโทโธได้ถ้าเราเอาพุธโธไปผูกกับลมเราปรับความเร็วช้าไม่ได้ต้องอยู่ไปกับลมเช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธจะให้มันเร็วกว่าวนั้นก็ไม่ได้จะให้มันช้ากว่านั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าเราพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องมีลมเราก็สามารถปรับความเร็วช้าได้ อยากให้มันเร็วก็ได้บริกรรมให้มันถี่ขึ้นก็ได้ถ้าเหนื่อยก็บริกรรมให้มันช้าหน่อยก็ได้คำถามจากคุณนันทนาการละความอยากเป็นเหตุให้เราขาดการพัฒนาตัวเองไหมครับเช่นการหาราบยศสารเสริญโดยเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่เรามีภาระเลี้ยงดูครอบครัวค่ะแต่ว่าเั็นการไม่พัฒนาก็ได้เพราะว่ามันก็ การไปหาลาบยศสรรเสริญทางศาสนาเรียกว่าเป็นการพัฒนาความทุกข์ถ้าคุณอยากจะมีความทุกข์ก็ไปพัฒนาทางลาบยศสรรเสริญแต่ถ้าคุณไม่อยากจะมีความทุกข์คุณก็อย่าไปพัฒนาทางลาบยศสรรเสริญคำถาม <c oughs> จากคุณสารินีคองเลือนไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยฟังเทศทุกวันพยายามทำภาวนา ผู้ครองเรือนควรจะทําอย่างไรจึงจะปฏิบัติทําได้ก้าวหน้าก็ขอคําแนะนําได้ค่ะก็ต้องหาเวลาปฏิบัติให้มีมากขึ้นไปเท่านั้นเองผลของการปฏิบัติเกิดจากเวลาที่เราให้กับการปฏิบัติเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนวิชาเดียวเราก็จะได้ความรู้แค่วิชาเดียวถ้าเราเรียนสองสามวิชาเราก็ต้องมีเวลาต้องให้เรียนสองสามวิชาถ้าเราเรียนมากเราก็จะได้ความรู้มาก ถ้าเรียนน้อยก็จะได้ความรู้น้อยเราต้องมีเวลาให้กับการเรียนเช่นเดียวกับการปฏิบัติถ้าเราอยากจะให้การปฏิบัติก้าวหน้าได้ผลมากขึ้นเราก็ต้องปฏิบัติให้มากขึ้นให้เวลากับการปฏิบัติมากขึ้นถ้าเวลากับการปฏิบัติเท่าเดิมผลมันก็จะเท่าเดิมคําถามจากคุณพีโกความอยากทั้งหลายเป็นเหตุหรือผลของทุกข์กราบขอบคุณครับ เหตุเ่ยฟังมาตังนานไม่รู้เลว่าความอยากนี้เป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ใจความเหตุความอยากทั้งหมดนะความอยากความอยากแค่สามอย่างอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นนั่นนั้นที่เป็นตัวปัญหาความอยากอย่างอื่นนี้ไม่เป็นปัญหาอยากทําบุญอยากฟังเทศฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากบวชนี่ไม่ไม่ไม่เลยเป็นความอยาก ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์แต่เป็นต้นเหตุของความสุขคำถามจากคุณสมใจการอุบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ได้บุญจากเราต้องปฏิบัติแบบไหนได้บ้างคะอุไม่ได้หรอกนอกจากว่าเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นเปรตเป็นผู้ที่ไม่มีบุญแล้วมารอรับส่วนบุญเราก็ให้กับเขาได้หรือถ้าเขายังไม่ตายเราก็ให้เงินทองก็ได้ คนที่เขาจะมาฟ้องร้องเราเราก็จ่ายเงินให้เขาไปถ้าจ่ายให้เขาพอเขาก็จะเลิกฟ้องร้องเราเขาก็จะเลิกเป็นเจ้ากรรมในเวรเราคําถามจากคุณชนะตนโยมกับแฟนปฏิบัติตามพระอาจารย์สอนแล้วเห็นผลค่ะแยกห้องส่วนใหญ่ถือศีลแปดเกือบทุกวันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะไม่ดูทีวีสุขภาพดีขึ้นจิตใจสงบมากขึ้นมีเวลา ท, ทาําพารักษาศีล แล้วพากันไปภาวนามากขึ้นถ้าคิดว่าสักวันหนึ่งใครพร้อมก่อนก็ไปบวชทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนได้ใช่ไหมคะได้ทำให้มั่มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจะได้ไปเร็วขึ้นคำถามจากคุณดวงสีน้ำเงินข้อที่หนึ่งเวลาบริกรรมพุทโธดิชันถนัดบริกรรมพุทโธแบบทีๆรู้อยู่ที่พุทโธแต่ว่าคำบริกรรมทีๆนั้นพุทโธพุทโธพุทโธจะรวบเป็นเหมือนโทโทโธคาเดียว จะต้องแก้ไขหรือไม่คะไม่ต้องก็ได้ล่กตอบไดยที่เราไม่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้การบริการพุโทโธนี้เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องต่างๆนั่นเองคำ ถ, ถามจากคุณจิริลูกเปิมมองดูตับไตไส้ปอดแล้วค่ะแต่มันยังเสียวใจแวบๆเป็นอะไรคะเป็นกิเลสไงกิเลสมันไม่ชอบมองของพวกนี้ mm hmm. เห็นแล้วมันเสียมันไม่อยากจะมองตับายไส้พุงของตอนเอง ชอบดูตัดไตไส้พุงของหมูของเป็ดของไก่เวลาอยู่ในชาวนี่กินน่าลุดอร่อยพอมาดูของเราแล้วมันไม่น่าดูเลยไม่อยากดูอหมายมายันเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีอาการอย่างนี้อยู่แสดงว่าจิตเรายังไม่พร้อมที่จะดูความจริงของร่างกายต้องฝึกให้จิตมีสมาธิให้มากขึ้นมีความสงบให้มากขึ้นแล้วต่อไปเราก็จะมีมีกําลังที่จะมองความจริงของร่างกายได้ คำถามจากคุณลัทธนาสุดาอยากถามวิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิในระหว่างวันที่เรายังต้องทำงานค่ะก็ฝึกสติไปก่อนไงให้เรามีสติอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดอยู่กับงานที่เราทำถ้าเราไม่ได้ทำงานเราเดินก็ให้อยู่กับการเดินถ้าเราเดื่มน้ำก็ให้อยู่กับการดื่มน้ากาลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหาร คือให้มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาแล้วพอเราไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรมีเวลาว่างเราก็ไปหาหมุมสงบที่ไหนนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุโทโธไปก็ได้หรือระหว่างเวลาที่เราทํางานเราจะใช้พุโทโธกํากับใจไปตลอดเวลาก็ได้ถ้าเราทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วอย่างนี้ใจเราจะมีสติ พอเรามีเวลามานั่งสมาธิใจเราก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ที่มันไม่สงบที่มันสงบยากหรือช้าก็เพราะสติไม่มีกําลังพอพุโทโธได้สองคำไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วดูลมได้ปั๊บหนึกไปแล้วนี่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วถ้าอย่างนี้แล้วนั่งไปเท่าไหร่มันก็จะไม่สงบแต่ถ้ามันมีสติมันจะอยู่กับลมไปอย่างเดียวแล้วอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเดี๋ยวห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบได้ ที่สองญาติอยากจะสามารถช่วยผู้ป่วยโคมา่าปฏิบัติธรรมก่อนสิ้นใจได้อย่างไรผู้ป่วยไม่ค่อยมีศรัทธาและไม่เคยปฏิบัติมาก่อนค่ะแต่ญาติอยากช่วยเราสอนเขาได้เท่านั้นนะอยู่ที่เขาว่าเขาจะปฏิบัติเองได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนอื่นปฏิบัติแทนกันไม่ได้ช่วยกันได้ก็เพียงแต่บอกวิธีเหมือนกับขี่จักรยานเนี่ยเ้าก็อยากจะขี่จักรยานแล้วก็บอกวิธีขี่ให้เขา แต่ถ้าก็ไม่ยอมขี่มันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราไม่บอกเขาเขาอาจจะขี่ไม่เป็นคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกเป็นโรคซึมเศร้ารักษามาหลายปีแล้วเปลี่ยนหมอมาหลายคนเนื่องจากเปลี่ยนอยู่บ่อยกินยาบ้างไม่กินบ้างเพราะเบื่อผลข้างเคียงของยาอาศัยมองโลกในแง่ดีฟังธรรมของหลวงพ่อมันช่วยลูกได้เยอะเลยเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ลูกทุกเหลือเกิน เหมือนหนทางมันมืดไปหมดอะไรที่เคยเอาอยู่มันก็ไม่สนใจแล้วไม่รู้ต้องการอะไรปวดหัวอะไรก็ไม่รับแถมป่วยบ่อยอีกไม่ได้ไปฝึกงานเพราะฝืนตัวเองไม่ไหวลูกเป็นอะไรและควรทําอย่างไรเจ้าคะ เ, ออเราขาดสติเราไม่มีสติคอยควบคุมใจปล่อยให้ความอยากมันออกมาเพ่นพานมันก็เลยทําให้ใจเราวุ่นวายแล้วพออยากแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็เสียใจซึมเศร้าขึ้นมาอีกนี่ย เราต้องกลับมาที่สติกลับมาที่พุโทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวสภาพจิตนั้นจะดีขึ้นจิตจะเริ่มสงบขึ้นความอยากความต้องการต่างๆมันจะน้อยลงไปแล้วความซึมเศร้าความเสียใจมันก็จะน้อยลงไปกลับมาที่สติกลับมาสร้างสติแล้วลืมสติแล้วทิ้งสติไปคําถามจากคุณชลินทิศ เวลาสวดมนต์มองเห็นโครงกระดูกที่กรามปากขยับเป็นแวบๆค่ะเป็นการหลงไหมคะก็แล้วแต่จะว่าหลงยังไงถ้ามันเป็นความจริงมันก็ไม่หลงเพียงแต่ว่ามันดูดูไว้ก็ดีมันแต่ยังดูไม่พอการดูโครงกระดูกดูเวลานี้มันดูเพื่อเพื่อใช้ในการแก้ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายสวยงาม เช่นเวลาเราเห็นหน้าไข่เห็นหน้าดาราภาพยนตร์เห็นนายแบบนางแบบถ้าเราเห็นกรามกระดูกกลามของเขาเราอาจจะหายหลงเกิดฐานที่จะไปข้างคล้ายหลงไหลกับผิวหนังที่ครอบอกรามของเขาเราจะเห็นกรามเห็นโค้งเห็นกระโหลกศีรษะของเขาแทนมันก็จะทําให้เราไม่ไปลหลงไหลข้างคล้ายไปลากเขาคําถามจากคุณทัน เวลากําหนดลมหายใจพุทโธแล้วบริกรรมพุทหายใจเข้าลมหายใจออกก็โธจิตไม่เคลื่อนตามลมหายใจออกมาคืออะไรเจ้าคะก็ไม่เคลื่อนก็ไม่เคลื่อนไม่ต้องไปคืออะไรเลยก็ให้ดูไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบนิ่งจิตไม่คิดปรุงแต่งอะไรปล่อยวางพุทโธปล่อยวางลมหายใจอยู่กับความว่างได้อยู่เฉยๆได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรได้ เราต้องนั่งต่อไปถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นเรามันจะนร้องอ๋อโอนี่ยหลืคือความสุขที่พระเจ้าบอกว่าสุขอื่นเหนือกว่าความสงบไม่มีเป็นอย่างนี้เองถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็นั่งต่อไปดูต่อไปดูลมไปพุทโธไปไม่ต้องไปสงสยัยไม่ต้องไปถามว่ามันเป็นอะไรคาถามจากคุณสิริทำไมความทุกข์ใจจึงอยู่กับเรานานมากกว่าได้รับความดีใจคะ พ่าความอยากมันอยู่กับเราเรื่อยๆไงมันอยากมันโผล่มาเรื่อยๆได้อะไรมาดีใจเดียวๆความอยากใหม่โผล่ hmm. ขึ้นมาละพระอยากใหม่โผล่ hmm. ขึ้นมาความความดีใจก็หายไปละวงั้นถ้าเราลดความอยากลงได้ความดีใจของเราจะอยู่ได้นานขึ้นความสุขใจเราจะมีมากขึ้นคำถามจากคุณลัตนาสุดาสวดมนต์แบบไม่รู้ความหมายสวดแบบรีบๆอย่างน้อยอยากให้เป็น อยากให้สวดเป็นนิสัยได้ไหมคะหรือไม่สวดเลยดีกว่าสวดเฉพาะเวลาที่พร้อมสวดแบบความตั้งใจและรู้ความหมายคะควรจะสวดแบบความตั้งใจถ้าสวดแบบรีบๆจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมันไม่สงบยิ่งรีบมันยิ่งไม่สงบก็อย่าเสียเวลาไปสวดมันเลยสวดเพื่อให้มันสงบเพื่อมาให้มันมันรีบถ้าสวดแล้วมันรีบอย่าไปสวดมันเลยที่เรารีบร้อนกันเนี่ยมันเพราะความอยากอยากไปทํานู่น แต่ต้องทำให้หนี้ก่อนเลยรีบๆทามันไปเราสวดเพื่อให้มันเราไม่รีบร้อนไม่อยากได้อะไรไม่อยากไปทำอะไรอยงนั้นถ้าเรายังไม่มีเวลาสวดก็อย่าเพิ่งไปสวดเลยคำถามจากคุณอดิศักรเราใช้การท่องคาถาชินนบัญชรแทนพุทโธได้ไหมครับได้หมดแล้วค่ะหมดแล้วยังเหลืออีกสิบนาที โยมาจากที่ไหนที่นั่งข้างล่างเนี่ยพระอาจารย์อุดรเจ้าค่ะโยมาลี่เอ๋ยำไม่ได้นะอ่าจำไม่ได้นะกลับไปอุดรเป็นแก้ปัญหาเจ้าค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสบายที่ะอาจารย์ให้ก็เอาไปใช้อ่าแต่ไม่เป็นยอมไม่เป็นก็เลยทุกข์ ตอนนี้ยอมเป็นแพ้เป็นแล้ ว, วก็เลยสุขอย อ, ยอมหยุดเย็นไงน ย, ย, ยอมแพ้พ <ะ S 2> อพอยอมแพ้แล้วก็เราก็หยุดต่อสู้พอเราหยุดต่อสู้ใจเราก็สบา ย, ยสู้ไปก็เหนื่อยไปเปล่าเพอพอมันพุขึ้นมาก็ยอมฝาฝันไหวใจฝังไว้บ้ายอมเป็นแพ้เป็นาชนะเป็นมันอื เราก็เลยทำใจเป็นกลางเหมือนที่ให้กาอนานี่แล้วล่ะพยายามรักตามันนั้นเป็นกลางไปเรื่อยๆน ะ, ะอย่าให้กิเลสเป็มันเดึงออกไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเอ็นอะไรอยากได้ก็ไม่เป็นกลางกันน ะ, ย ะ, ะพยายามให้มันเป็นกลางมากๆบ่อยๆได้ลายมาก็สู้ได้ความเป็นกลางของใจไม่ได้ว ค, ความเป็นกลางของใจนี่เป็นทรัพย์อริยทรัพย์ ทรัพย์เป็นทรัพย์ที่แท้จริงทรัพย์ที่ให้ความสุขเราอย่างตลอดเวลาสิ่งอย่างอื่นให้ความสุขเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์เวลามันหมดไปเวลามันจากเราไปยิ่งเรามามาม า, มาหาความเป็นกลางกันดีกว่ามาสร้างความเป็นกลางของใจให้เรามีมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยการใช้สติในเบื้องต้นพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ มันรู้จะคิดอะไรก็พูดโธเลยไปคิดเรื่องอื่นให้มันเสียเวลาทําไ ม, มคิดพูดโธแล้วใจเย็นคิดเรื่องอื่นแล้วใจร้อนออแล้วพออยากอะไรก็ต้องบอกว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราอยากได้มมไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นสุขเคลือบความทุกข์ไว้นิดสุขบางๆเคลือบความทุกข์ที่หนาปึกไว้เลยถ้ามองอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้เลยมีไหมกันไหมข้ามา คำถามจากคุณพรธิดามีลูกชายวัยกําลังชอบของเล่นเวลาผ่านของเล่นเขาก็อยากจะได้แต่ไม่เคยซื้อให้บางทีเขาก็ยอมบางทีเขาก็ไม่ยอม <c oughs> เวลาที่เขางองแงจะบอกเขาว่ากําลังเป็นลูกศิษย์พญามารหรือว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเขาก็นิ่งคิดแล้วบอกเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ถูกไหมคะเดีสอนแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ทําตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าทำเป็นศิษย์พระพุทธเจ้า ถ้าเขายอมอยอมแม่ตามแม่แม่ไม่ซื้อให้ก็ยอมอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าถ้าอยากได้แล้วแม่ไม่ยอมก็โกรธแม่อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นสิทธิพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพยามารมีไหมคำถามจากคุณพิญญาดาบทมหาสูตรสามารถสวดเช้าเย็นได้ไหมคะได้ทุกสูตรเนี่ยสวดได้มันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นวิธีทําใจให้สงบเป็นสมาธิเหมือนกันหมด อตปิสโสก็ได้ชินบัญชนก็ได้การลาสมสรก็ได้ธรรมจักก็ได้เราชอบบดไหนแล้วก็สวดไปขอให้สวดแบบไม่ต้องเปิดหนังสือนะสวดแบบจำจาได้แล้วปิดตาหลับตามันจึงจะสงบมากขึ้นถ้ายัางต้องลืมตาแล้วสวดนี่มันจะไม่ค่อยสงบเท่าที่ควรท่องถามจากคุณติีใหญ่ การนั่งสมาธิถ้านั่งในสถานที่ที่น่ากลัวอย่างเช่นในป่าในเขาหรือในป่าช้าทำให้จิตที่กลัวรวมได้เร็วหรือไม่ครับถ้ามีสติก็รวมได้เร็วถ้าไม่มีสติก็อาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาก็ได้อาจจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ใงนั้นคนที่จะไปอยู่ที่น่ากลัวได้นี่ต้องมีสติในระดับหนึ่งที่สามารถควบคุมความกลัวไว้ได้โอกาสความกลัวก็สามารถพุโทโธพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องก็จะสงบได้เร็ว คือมันจะบังคับให้เราพุโทโธกันไงถ้าเราอยู่ที่ปลอดภัยเราก็เลยเออเราเหยื่ลอยลมไม่มีอะไรทัดหน้ากลัวแต่พอไปอยู่ที่หน้ากลัวนี้พอมันกลัวปั๊บมันต้องรีบเข้าหาพุโทโธทันทีการที่เราไปอยู่ในที่หน้ากลัวนี้เป็นอุบายบังคับให้เราพุโทโธกันถ้าเราอยู่แถวศูนย์การค้านี่มันไม่ค่อยพุโทโธกันหรอกมันได้แต่พุทกระเป๋าเอ้ยรองเท้าเอ้ยเสื้อผ้าเอ้ยแต่ถ้าเราไปอยู่ในปา่าในที่หน้ากลัวนี่ พอคิดถึงผีคิดถึงเสืออะไรมันก็ต้องรีบหาพุทธโธแล้วคำถามจากคุณสันเพศธรรมคืออะไรครับธรรมะคือมีหลายความหมายธรรมะความหมายที่เราต้องการรู้คือธรรมะคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเี่ยธรรมังสารนังกฉามิเนี่ยคือคําสอนของพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเพราะคําสอนนี่จะสอนให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ อันนี้เป็นความหมายของธรรมที่อันแรกส่วนอีกการนึ่งธรรมว่าธรรมนี้เป็นคําที่เราใช้กับทุกอย่างทุกอย่างเป็นธรรมหมดเป็นธรรมชาติไงแต่เราพูดชั้นๆ้นว่าเป็นธรรมต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นธรรมชาติร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาติสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นธรรมชาติหมดเราเอามาผลิตมันเป็นเป็นสินค้าต่างๆสินค้าต่างๆก็เป็นธรรมชาติเพราะมันมาจากธรรมชาติ เหมือนกันหมดมาจากดินน้าลมไฟนี่คือปปธรรมถ้าเราสัพเพธมานัตตาเราททั้งปวงไม่ใช่ของเราไงหมายถึงว่าของทุกอย่างมันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราคำ ถ, ถามจากคุณกระหนกทิพย์การสวดมนต์จำเป็นต้องรู้ความหมายของบทสวดมนต์ที่เราสวดไหมคะไม่จําเป็นหรอกถ้ารู้ก็ดีไม่รู้ก็ไม่เป็นไรถ้ารู้ก็ได้ถ้าไม่รู้ก็ได้สมาธิอย่างเดียว ถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาเช่นถ้าเราสวดบท ธ, ธรรมจักนี่เราก็จะได้ความรู้ว่าพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอะไรจะรู้จกักมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรปความคิดชอบความนิลิชอบนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายเราก็จะได้ความสงบไปอย่างเดียวจิตสงบไม่คิดปรุงแต่งหมดไหมยังอ้น <Okay. S 1> คำถามนึงนะคาถามจากคุณมัทิน หาเก็บซาตังไม่ว่าจํานวนมากหรือน้อยไม่สามารถหาเจ้าของได้เก็บขึ้นมาไม่คิดจะเอาคิดว่าจะเอาเงินนั้นไปทําบุญอย่างนี้ผิดศีลไหมคะผิดนั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยไม่คิดจะเอาก็วางไว้สิก็วางไว้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ของเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นทําไมก้อนหินปล่อยวางได้พอเป็นกระดาษเป็นแบงขึ้นมาปล่อยไม่ได้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราอยู่ดี ก้อนหินก็ไม่ใช่ของเรา เ, เงินที่ตกไว้มันก็ไม่ใช่เป็นของเราเขาปล่อยไว้ตรงนั้นสิเราไปปล่อยก้อนหินไว้ตรงนั้นได้ทำไมาเราปล่อยเงินไว้ตรงนั้นไม่ได้มันก็เป็นธาตุเหมือนกันเนาะเป็นกระดาษนี่แต่เราไปมองว่าเป็นเงินเราไปหลงกับสมมุติคําว่าเงินเนี่ยงันอย่าเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะใครอยากจะเอาไปก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปเอาดีกว่าเอามาแล้วมีแต่ขาดทุนถึงแม้เอาไปทําบุญก็ไป เหมือนกับเป็นลักทรัพย์ของคนอื่นไปทําบุญเพราะเงินนั้นมันต้องมีเจ้าของใช่ไหมเจ้าของก็ยังไม่ได้ให้เราเราไปเอามาอย่างนี้มันก็เรียกว่าทําผิดศีลข้อ อ, อะไรละ่ะอธินนาและการลักทรัพย์การเอาของเอาผู้อื่นโดยที่เจ้าของก็ไม่อนุญาตาแต่ถ้าเขามีเขียนป้ายติดไว้ตรงเงินว่าใครอยากได้เอาไปก็หยิบไปได้ <laughs> มีเพราะญาติโยมบางทีเขาถวายภาพแบบให้ภาพไปชักบังสกุลไงบางทีโยมก็เอาของมาวางแล้วก็เอ า, าใบไม้มาวางไว้เป็นสัญลักษณ์บอกว่าภาพรูปใดรูปหนึ่งมาเห็นภาพผืนนี้ใครอยากได้ก็ชั ก, ชกบังสกุลไปเลย เ, ยเพราะเขาไม่มีเวลาที่จะมาหาพระหรือก็ไม่อยากจะถวายเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งเขาก็เลยไปวางไว้ในที่ที่เขาร่วมจะมีพระเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็เอาภาไปวางไว้ ถ้าพระเห็นก็สามารถที่หยิบไปได้เพราะเจ้าของก็อนุญาตแล้วเขาจะมีบางทีก็มีเขียนอะไรไว้ก็ได้หรือบางทีเขาก็วางใ บ, ใบมงใบไม้อะไรไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าในอันนี้บางสกุลได้เอาไปได้ไปอย่างนั้นก็หยิบไปได้แต่ถ้าเขาไม่ได้บอกแล้วก็อย่าไปหยิบดีกว่า <G ül> นอกจากเรารู้ว่าเป็นของใครแล้วเราหยิบแล้วไปคืนเขาเช่นเขาเพิ่ง หนอนเมื่อกี้นี้เห็นก็เงินหนอนป๊บเราก็ได้หยิบแล้วก เ, เอาไปให้เคืนเช่นนี้ก็ได้อยู่แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ที่ไหนแล้วก็อยากไปหยิบนี่กว่าหยิบไปแล้วเราก็จ ะ, ะเสี่ยงต่อการทําบาปถึงแม้ไม่มีเจตนาแต่มันก็เป็นการกระทํามันต้องมีเจตนามันถึงหยิบอันนั้นขึ้นมาเพียงนะแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะเอามาเป็นของเราทั้งเอง <c oughs> เอาแล้ว่ะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเ่าน